จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเช่นเคยที่เก่าเวลาเดิมเพื่อมาสนนนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจอยากจะถามคำถามก็ขอเชิญเข้ามาได้ เราก็ตามธรรมเนียมก็จะไปเริ่มต้นกับเด็กๆ ก, ก่อนนะโดยเฉพาะเด็กที่อยู่โตเกียวเด็กนะอ้าวนักคุณกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างสนไม่ซนนักคุณเป็นไหมไม่ยอมไม่ซนครับกินข้าวหรือเด็กตั้งเนี่ย <laughs> อกินขนมปังอยู่ค่ะบอกพระอาจารย์มาแล้วรีบวิ่งมาเลยค่ะอืมโอเคมีอะไรไหมกราบสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์เจ้าข่าขอให้พระอาจารย์เมีพระคนานแข็งแรงนะคะบอกเขาเธอว่าไปถาพระอาจารย์ว่าลูกเป่าใบไม้พระอาจารย์ชอบอ๋อค่ะเมื่อคืนวันที่สามสิบเอ็ดไปนอนวัดกันมาค่ะพระอาจารย์เขาบอกว่าให้บอกพระอาจารย์ด้วยเลีวก็เป่าใบไม้ด้วยอพัดไทยเลย วัดไทยค่ะวัดป่าพุทธลังศรีที่โตเพียวนค่ะไม่ที่ไม่ไม่ที่พักเดินนะแค่บอีหน่อยโอเคโอเคพี่ฉันมาเลยอาจารย์เลยว่าว่าว่หนูไปบอเลยว่าที่อาจารย์สานนะโอเคค่ะหนูไปช่วยช่วยหลวงตาที่นั่นเป่าใบไม้มาค่ะพระอาจารย์เขาบอกดี่ยมมากดีมากไปวันบ่อยๆนะหนูไปบย ไปเรื่อยๆไปทุกทิ่ถ้าไปได้อ๋อนี่พอเห็นเครื่องเป่าใบไม้เลยไม่แน่ใจอยากไปวัดหรืออยากไปเล่นเครื่องเป่าใบไม้ของพ้าค่ะก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปแล้วกันอย่างไไปอยูอ่ก็อยู่ในบริเวณวัดมันได้สัมผัสความสงบมากค่ะพ้ า, าพอาจารย์ไปตอนแรกตอนแรกถามเขาค่ะค่ะว่าพี่ใหม่นี้อยากไปไหนคะเขาบอกว่าหนู อ, อยากไปวัดงั้นวัดกัน อยู่ใกล้พระบ่อยๆจะโตขึ้นนอยากอยากจะบวชจะได้บวชไหมลูกบวชไหมโตขึ้นบวชพระไหมาบวชเลยวบวชคือเป็นพระแบบาพระอาจารย์ใช่ไหมแม่ต้องเชื่อเจ้าสาวโอเคค่ะพระอาจารย์ปีนี้ตั้งใจว่าจะปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์เพยายามเพิ่มปริมาณไ <c oughs> ปเรื่อยๆนะนั่งสัจจะไหมอืมค <c oughs> ่ะ พระอาจารย์คะที่ไปวัดเกิดเลยเกิดคำถามขึ้นอันนึงค่ะน้องคุณอยากสัญญากับทานอาจารย์ว่างด้วยอะออกไปคือนอนตอนกลางคืนมันก็จะมีเสียงเสียงกรนเสียงอะไรใช่ไหมคะทําให้เรานอนไม่หลับทีนี้ลองขึ้นมานั่งสมาธิมันก็ทําไม่ได้มันมันมันคือกิเลสชนิดหนึ่งเราควรจะใช้อะไรขกมันไหมคะหรือว่ามันก็นอนนอนสมาธิไปเหน กานทําสมาธิไปคือพูดโชพูดโชว์ไปแล้วดูลมไปก็จะหยุดคิดอย่าไปกังวลย้ายไปกังวลกับเรื่องคนของคนอื่นเนาะอเดี๋ย่าพอทำให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเดยอะแล้วก็หลับไปอืมทั้งคืนเลยค่ะพระอาจารย์ไหม่ะพยายามพยายามเวลาที่มันไม่หลับเราเราสมาธิอยูนอนสมาธิก็ได้เพื่อให้มันหลับ พูดโทรพูดโทไปก็ได้แล้วด ah ูลมหายใจเข้าออกไปก็ได้แต่อย่าไปอยากให้ใจไปอยากอย่าไปอยากให้มันหลับอย่าไปอยากให้เสียงคนมันหายไปอย่าไปสนใจออให้อยู่กับลมหายใจแล้วอยู่กับพูดโทไปเฉยๆไปเรื่อยๆคือมันก็เป็นปกติของมันเป็นได้ใช่ไหมคะหมายถึงที่มันนอนไม่หลับเพราะอยากอยากให้เสียงคนมันหายไปพอไม่หามันก็ยิ่งอยากให้มันหายก็ยิ่งนอยไม่หลับอย่ง ใช่ค่ะจนตื่นทำว่าเช้าเลยค่ะพระเจ้าอย่าไปสนใจมึงจะคนก็คนไปผู้ก็จะดูหร่งของผู้ไปพูดโทรของผู้ไ ป, ไปอ๋ อ, อคือเมื่อเมื่อวันนั้นแบบุดลุกขุดนั่งเ อ, อลรกลึกขึ้นมานั่งสมาธิสักพักหนึง่งมันก็ไม่ไหวมันปื้เดี๋ยวเดียวก็ปื้มันก็จะดุงขึ้นมาอเอพวกพระหรือว่าพวกแม่ชีเขาเ เขาเขาทํายังไงกันนะถึงทําให้จิตใจสงบก็เลยเกิดคําถามขึ้นมานะคะเราส่วนใหญ่เขาไม่ได้นอนร่วมกันหรอกท่านพระนี่ก็จะแยกกันนอนโดยเฉ <ทะ S 1> พาะพาะป <พา S 2> <อ>่าเนี้่ยตั้งแต่เราบวนมาเราไม่เคยไปนอนกับใครนอ น, นอนของเราคนเดียวเทมเนี<อ>่ย ม, มันก็เลยกยายเป็นสปยะเป็นที่สงบค่ะตามตามปกติว่าต่าพระพราะฉะ้นมีกุติของใครของมันไม่ไม่ไม่ไมาลงกันค่ะ อันนี้เป็นเป็นสองชั้นเนี่ยนะคะพระก็จะอยู่ชั้นบนกับโยมผู้ชายชั้นล่างก็จะเป็นเออ่พระประธานแล้วก็จะมีที่วฉันที่อะไรแล้วก็นอนตรงหน้าพรมตรงนั้นนะคะเออ ม, มันจนนเป็นอยู่ต่างด้านมันก็อย่างเงี้ยมันที่ดินมันหา ย, ย า, ากค่ะก็ก็ดีค่ะเป็นเป็นวัดตาสาัตว์หลวงปู่มั่นก็เลยได้เ อ, อไปไปวันครั้งแรกเมื่อตอนเขาหนึ่งขวบแล้วก็ตอนวันเกิดแล้วเขาก็ติดใจเขาก็เลยว่า อยากให้พาไปอีกทีนี้ติดใจอยากจะให้พาไปตลอดเลยดูดีไปเรื่อยๆไปในเป็นนิสัยไปเพราะว่าเป็นนิสัยได้เลยดูดีดูดีมีเล่นบ้างมีอะไรบ้างไม่ไม่ไม่ไม่คิดว่าเป็นการผิดก็ยังก็ยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่เด็กโตขึ้นก็ค่อยๆสอนเข้าไปค่ะได้ค่ะจะพยายามพาไปบ่อยๆค่ะบอาจารย์โอเคอ่ากราบ สวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ค่ ะ, ะสาธุไปจะแม่กับแจที่อาทิตย์ที่แล้ ม, มาวัดทั้งสองวันติดกันเลยนะเราเล<ร><ร>ี้ยงรัศกา ร, การพระอาจารย์ครับเป็นไงนี่ชอบมาวัดไหมชอบชอบครับได้อะไบ้างเามาวัดในบุญได้คําสอนค่ะได้บุญนะบุญเป็นยังไงต้องรู้เทว่าได้บุญนะบุญเป็นยังไง มว่าความสุขใจอิ่มใจม happiness ภายในใจล้วทำให้การอยากเล่นเกมอะไรน้อยลงไปเพราะสูความสุขใจจากการทำบุญไม่ได้การฟังธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ได้เวลาที่เที่หนึ่งชั่วโมงนี้นั่งนั่งนั่งนั่งขยับหรือเปล่า่ยว่า เลุกไปนู่นลุกไปนีป่เปล่าเนี่นั่งนิ่งเฉยอยู่กอดที่เรามีการขยับบ้างครับแต่ไม่ได้ลุกขึ้นใช่ไหมไม่ได้ลุกขึ้นอ่าขยบับเพราะมันเจ็บหรือว่าเพราะมันอึดอัดมันนั่งไม่ค่อยสบายใช่ไหมไม่คยสบายอฟังรูเรงงเ้เรื่องไหมที่ฟังเพลงรูเรื่องไหมอ่มาพยายามฟังไปเรื่อยๆนะรู้นะร<ม>เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรอืมอ่า พยายามฟังไปเรื่อยๆนล้วอาการรู้สึกไม่สบายมันจะมันเทาลงครับครับ huh. นั่งหลับตาฟังไปยิ่งดีเยอย่าไปไม่ต้องลืมตาจะได้ไม่ต้องเห็นคน เ, น uh huh. เลยเวลาเวลาทเทศน์อย่างนี้เราก็ไม่เราก็ไม่ลืมตาแล้ว uh huh. หลับตาดีกว่าพอหลับตาเราก็อยู่ในโลกของเราคนเดียวพูดธรรมะของเราไปค uh huh. นเดียวเลืมตาแล้วเห็น uh huh. คนเดินไปเดินมาคนทํานู่นทํานี่ขยับนู่นขยับนี่แล้ว มันก็มารบกวนใจได้เรานั่งหลับตาไม่ต้องไปสนใจกับคนอื่นนะสนใจแต่เสียงธรรมที่เราได้ยินอย่างเดียวอันนี้จะมาส่งการบ้านเช่นชยใช่ไหมใช่ครัครับส่งมาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่องพ้นความแก่ไปไม่ได้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 มีกรรมเป็นที่เพิ่งอาศัยเราทากรรมนานใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนานนันสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธออย่าลืมนะของจริง น, นะอันนี้เป็นเหมพยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้ฝนจะตก ไ, มไหมไม่แดดจะออกไหมอันนี้ก็เหมือนกัน พยากรณ์ชีวิตเราไม่ต้องไปหาหมอดูหรอกพวกที่ไปหาหมอดูแสดงวโโ่างงพระเจ้าบอกชัดเจนละ้ะอนาคตของเราจะเป็นยังไงก็ไม่เชื่อไม่ฟังเลยไปหาหมอดู <Okay. S 1> ก็โดนหมอดูหมอดูก็หลอกหมอดูเองก็ไม่รู้ดูอะไรก็ไม่รู้ของจริงไม่ดูไปดูของปอลอมเลยนั่นยาก พยายามอย่าลืมนะอันนี้คาถาสำคัญมันจะทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตครัแล้วก็ไม่หลงถ้าดูอาการฐานที่สองร่างกายเราจะไม่หลงไปรักร่างกายของใครว่ามาร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมข น, <ค>นเล็ บ, บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเย่อในกระดูกม้ามหัวใจ ตักพังผืดไตปอร์ดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารก็เพียในสมองสีสั์น้ำดีน้ำเฉลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมเหลวน้ำลายน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูก น้ำลายน้ำเหลวน้ำตาลน้ำมันข้นน้ำเหมื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเฉลดน้ำดีเยื่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้หน่อยไส้ใหญ่ปอดไตหางผดตับหัวใจม้ามเยื่ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนัง วันเล็บผมอยู่ในร่างกายหลอใช่ไหมใช่ครับเห็นไหมยังไม่เห็นใช่ไหมเราเห็นบ้างจ้ะเห็นนะนี่มีอะไรหมตนี้ไม่มีครับไม่มีนะ ค, นะคุณแม่ก็ไม่มีนะหนูก็ปฏิบัติจเจริญสติทั้งวันเลยค่ะแล้วทีนี้พอเราทําต่อเนื่องกับอาจารย์ มันเห็นผลมันเห็นความคิดปรุงแต่งแต่ทีเนี้ยมันสั้นลงเพราะเราไม่ไปกับมันแต่มันยังมันไม่ได้ดับรูปิบอค่ะแต่แต่มันไม่ไม่ยาวเหมือนเดิมแล้วอะค่ะมใช่พูดโทรก็ได้พอถ้าอยากจะหยุดมันก็ใช้พูดโทรเข้าไปเราสามีที่มามามาติดตามมาฟังเ้วบเป็นยังไงเขาทําอะไรอยู่ตอนนี้อเไรช่อ่านหนังสือเขาฟังกับหลับตาฟังค่ะก็ฟังภาษาไทยได้เลย ไม่ข่นูบอกว่าให้ดูลมหายใจท่องพุทโธไปอะไรอย่างเงี้ยพูดใจไมันก็ได้นะฟังเข้าใจอ่ะค่ะแต่ว่าพูดไม่ค่อยได้ค่ะมาอยู่กี่ปีนะก็อายุจำมันก็สิบห้าสิบหกปีแล้วอ๋อค่ะนานนะโอเคก็ดูเขาเขาเป็นคนนิง่งๆนีนะท่าทางเรียบร้อยอก็จริงๆแล้วเขาเป็นคาทอลิกอะคะอ่ะแล้วก็ เด็กๆเนี่ยก็ยังต้องไปโบสถวันอาทิตย์ค่ะก็จะได้มีกำไรได้สองอย่างได้เรียนรู้สองอย่างค่ะครับหลังๆเด็กๆค่ะไม่อยากไม่ค่อยอยากไปโบสถ์แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็บอกว่าไปเถอะพ่อเขาก็อุตส่าห์เสียสลับไปกับเราเราก็ต้องเสียสลับไปกับเขงบ้านใช่ใช่ไม่เสียหายเราไปโบสถไปวันเหมือนกันค่ะค่ะแล้วหนูก็ถามเขาว่าถ้าเกิดในอนาคตเกิดลูกจะบวชอ่ะยูโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอก ไม่มีปัญหาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนเขาไม่เข้าใจอะคะ่ะ<ม>เขาเป็นเครอบครัวเขาเนี่ยเป็นคาทอลิกที่เคร่งมากไปวัด<ม>ทุกวันอาทิตย์นะคะ่ะแต่พอ<ม>ตอนหลังเนี่ยพอได้มารู้จักพระอาจารย์เขาได้เห็นอ่าจริยวัดพระอาจารย์เหมือนเขาเข้าใจอะคะ่ะแล้วบางทีเขาก็ฟังซูมวันอังคารอะคะก็<ม>ะเข้าใจหลักการของศาสนาพุทธว่าทําอะไรไปเพื่ออะไรอย่างเงี<ม>้ยค่ะเขาบอกได้ไม่มีปัญหาถ้าลูกจะบวชอันนี้นะ ดีเราจะได้มีการเปรียบเทียบเหมือนเหมือนรถยนต์สองคันถ้าเราขับคันเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่ารถของเราดีหรือไม่ดีถ้าเราไปขับกับอีกคันหนึ่งเราเปรียบเทีย บ, ยบว่าโอ้ยรถของเรา ด, ดีกว่าเยอะแยะนะคนที่พระฝรังจา้าพระหลังที่เขารับเดี๋คริสเขาก็ม า, มาบวชเป็นพระกันเยอะแยะออก็ได้สัมผัสกับคาสอนของพระเจ้าแล้วก็ารู้สึกว่ามันดีกว่ามั น, น ม, มันแก้ปัญหาเขาได้ได้ชัดเจนนกว่าเขาก็เลยเลือกอทางทางพุทธศาสนานแล้วเขาก็ได้อ่านหนังสือประวัติชีวิตพระอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษล้ค่ะวันนั้นเราได้หนังสือมาเขาก็เริ่มอ่านอ่าก็จะได้เข้าใจว่าพุทธศาสนาที่แท้จริงเป็นยังไงมันเกี่ยวกับการปฏิบัติแนวจิตใจแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเห็นแต่พิธีกรรมต่างๆพระบินธบาน ร้อยสังฆาทานอะไรต่างๆนี้ก็เลยไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เข้าใจว่าพุทธศาสานาเนี่มีแค่นี้เลยยังไมก็ดีไม่ต้องไปลังเกียจศาสนาของคนอื่นเอยถ้าเราไม่เชื่อลราก็ไม่อยากไปลบหลู่ก็แล้วกันให้ให้ควำเคารพว่าคนหนึ่งเขาก็เขาเคารพศาสนาเขาใช่ไหมเราก็เคารพศาสนาเราเราก็ไม่อยากให้ใครมาลบหลู่เรา เราก็อย่าไปลบลู่คนอื่นเราโอเคนะนะคบเดี๋ยวไปที่น้องตะวันค่ะ uh huh. น้องตะวันจากออแลนเป็นยังไงครับเมื่อกี้ได้ท่องตามพี่ๆี่เขาเป่าใช่ครับส่วนนะเดี๋ส่วนตอนบ้านวันนี้ครับ มีอะไรหมวันนี้ส่งของบ้านครับเส่งกาบ้านมีอะไรบ้างของเฟมีตากระชักระชับอ่ยังไงเนื้อทั้งเร่อาเปชตาชาต่างหลายที่เป็นยูทุกเกิดเกิเจอใจต้องเป็นสิ่งต้องหมดทุกอย่างต้องหมดทั้งสิ้น เอเราหุนตุชุ this, mm ่มเป็นชุขเป็นสุเิดอ่อยาไม่มีไม่มีหวนตะกนและกันเลยอยาปชาหุนตุชุมเป็นชุขเป็นุขเถอย่าได้มีเดียเปนตะกันและกันเลยเอ่อเอานคหุนตุชุมเป็นชุเป็นุเรยชุมเป็นสุขเป็นสุขเอ่อ อยาได้มีความทุกข์ใจทุกทรัพย์สุขีแต่นาพะย่หารมทุกช่วงมีสุขใจสุขทรัพย์รักษาตนให้คงจะทุกข์ใจทุกจังสิ่งทุกอันนี้เป็นเป็นอะไรนะ เป็นเป็นการสวด้วยเป็นการเป็นการแผ่เอ็นความเสื่อมเส่อมเสื่อมความเสื่ความแผ่ยังไม่ได้แผ่นะจะแผ่ต้องแผ่ด้วยการกระทําข้าใจไหมอันนี้สวดเพื่อทบทวนความจําเพื่อให้เหลยว่าเราต้องไม่มีมเราต้องไม่มีเวรต่อใครไม่เบียดเบียนใครไม่ทําให้คนเหล่านั้นทุกกายทุกใจต้องทําให้เขามีความสุข เวลาจะแผลจริงๆต้องแผ่ตอนที่จิตแผ่ที่กับเวลาเจอคนเจอสัตว์ให่หเวลาแม่เขาพูดอะไรเราไม่เราไม่พอใจเราโกรธแม่นี่เราก็ต้องให้อภัยแม่ใช่หมอันนี้ถึงจะแผ่เวลาส่วนนี้ยังไม่ได้แผ่นะเข้าใจไหม บ, บางคนคิดว่าการการการแผ่คือการส่วนแล้วพอไปเจอกันก็แยกเขี่ยวใสกัน การสวดเป็นการเตือนเตือนใจเป็นการทบทวนใจว่าเราต้องทําอะไรบ้างเวลาเราเจอคนเวลาเจอคนเกิดมีปัญหากันทะเลาะกันก็ต้องให้อภัยกันแต่ไปมีเรื่องเมื่อไหคนไทยเราใช้คนไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางทีเดินเดินไปแล้วทาน้ําหกใส่เขาอย่านี้ก็ไม่เป็นไรนนนน ไ, นนไม่เป็นไรก็ไม่มีเจตนานะ ถึงแม้มีเจตนาเราก็ไม่เป็นไรอย่าไปมีเรื่องกับเขาดีกว่านะ ป, ป่ยไปอย่งต้องเข้าใจนะว่าสมัยนี้บางคนย่าวยงคิดว่าแผ่เมตตาคือการสวยเงานวาดภาพสวยหมเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาไปทั่วจั ก, กรวาลเลยต้องตายครบเลยส่งกระแสมันกระแสโทรทัศน์อย่างกระจายเสียงไปไปกระจายภาพไป แตทั้งจริงไม่ใช่ล่ะเป็นการเรียนรู้สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าการแผ่เมตตาแผ่ยังไงสําหรับคนที่เรียนรู้แล้วก็ต้องคอยเตือนใจไม่ให้ลืมเวลาเราพบปะกันเราจะได้รู้จักเรพยาพิ่มปฏิบัติต่อกันและการอย่างไรนะเข้าใจนะเข้าใจครับอเคมีอะไรไหมไม่มีครับคุณแน่ล่ะ ไม่มีค่ะพระอาจารย์ยังไงคุณมาโค้กเข้ามาวันนั้นมีไหมจิตใจค่ะกเ็เขาบอกว่ายังมีอีกหลายคําถามค่ะพระอาจารย์ที่ยังยังขางคาใจแต่วันนั้นก็เกรงใจท่านอื่นด้วยค่ะเขาจะรอ น, นานก็ว่าเดี๋ยวหาเวลาวันอัคารมาถามพระอาจารย์เพิ่ ม, เ ต, มเติมค่ะอไม่เป็นไรละหวังโอกาสให้ถามเต็มที่เลยค่ะแต่บางทีบางคนเขาก็มไม่มีคําถามเขาก็เข้ามาความเฉยเฉยค่ะยังไงมีคําถามถามได้ไม่เป็นไร ยมจะได้บอกเขาว่าให้ลุยเต็นที่ไม่ต้องกักคำถามไว้วันหน้าวันหนึ่งเขาก็จะได้ฟังด้วยเขาได้เรียนรู้ไปด้วยแบ่งกันโอเคพยายามปฏิบัติไปนะว่าค่ะอาจารย์โอเคไปที่คุณหมอพิเชิดตาคุณหมอเด็กเด็กโตคนนี้หมอเชนคุณหมอกรรมนรัสการพระอาจารย์ครับ ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายทุกอย่างมาหลมที่สเป ธ, ธรรมะอนัตตาครับอาจารย์ก็ทุกอย่างเป็นธรมนกก ร, ธรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่มีตัวตนเป็ น, ด, นดินฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟร่างกายเราก็เป็นประกอบมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็ใจของเราคือธาุรู้ก็มามาเชื่อมต่อมาครอบครอง ร่างกายนี้แล้วก็สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆตัวผู้สั่งเองก็ไม่ใช่ตัวตนตัวท่านรู้ก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมชาติที่รู้ที่คิดเองแดกไปคิดไปถูกความหลงเนตัวเองไปหลงคิดว่าตัวเองเป็นตัวตนแล้วร่างกายก็ก็เป็นตัวตนด้วยเป็นเป็นตัวของว่าตัวเองด้วยพ่าตัวเองไม่มีรูปร่างหน้าตาผู้รู้ผู้คิดเนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาพอได้ร่างกายมาก็จะคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายเี่ย เราเกี้ยเป็นร่างกายก็รักก็โหยใช่ไหมนี่ร่างกายมันดีมันก็เป็นของไม่เที่ยงมันัเมันเรื่องของธรรมชาติทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติมันเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆมันมีเกิดมีดับมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแต่เราไปยืดไปตีกับร่างกายแล้วไม่ยอมให้มันตั้งตั้งอยู่แล้วดับไปให้อยากจะให้มันตั้งอยู่ไปเรื่อยๆพออยายากให้มันตั้งอยู่ไปเรื่อยๆพอไม่เป็นไปก็ทุกข์ ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อมาสอนใจให้เข้าใจว่าทุกอย่างเขามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเราเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนฝ น, นตกแดดออกใช่ไหมฝนตกเวลาฝนตกก็เหมือนกับปรากฏการขึ้นมาเกิดขึ้นต่อไปสักพักแล้วเดี๋ยวก็หายไปก็ดับไปฝนก็ดับไปลมมันก็เหมือนกันอยู่ดีๆก็ลมก็พาดขึ้นมาเอไปสักพักเดี๋ยวลมก็หยุดพัก มีใครมมีใครเป็นคนเป่าลมหรือเปล่าไม่มีไม่ีใครทําให้ฝนตกเพราะว่าไม่มีนะมันมีเหตุมีปัจจัยที่มันต่อเนื่องกันส่งเสริมกันมันก็ทําให้เกิดมีการฝนตกแดดร้อนมันเป็นการทํางานของธาตุทั้งหลายความร้อนมันก็มีผลที่ไปทําให้ลมมันเริ่มเริ่มเริ่มร้อนมันก็เริ่มมันก็เริ่มพัดขึ้นมาน้ำน้ำก็เลไหลขึ้นมากลายเป็นเมฆ แล้วก็ตกออกมาเป็นฝนอย่งี้ยมันก็เงี้ยวนไปเวยียนมาอย่างเงี้ยเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนทุกอย่างเราเราเราชี้อยู่ตรงไหนมีตัวตนนราไม่มีหรอกบ้านเราก็ไม่ไม่ไม่มีตัวตนเรารู้พพบของที่ไม่มีชีวิตของที่ไม่มีชีวิตรับรู้ว่าไม่มีตัวตนอแล้วก็ของที่มันมีชีวิตแต่ไม่เคลื่อนไหวเราก็รู้ไม่มีตัวตนเช่นต้นไม้เราก็รู้ว่าไม่มีตัวตน แต่มีแต่น่า่างกายเนี่ยเราไปตั้งว่ามันเป็นเป็นตัวตัวนี้นราเราเป็นหร่างกายขึ้นมาอันนี้เป็นความหลงความตู่เอาของใจเหมือนกับคนโบราณตูว่าโล่งนี่แบนโลงไม่แบนแต่มันมองเห็นมันมองแล้วมันเหมือนว่ามันแบนมันใหญ่ผิวมันใหญ่มากมันผิวมันใหญ่มากเอาตัวนิดเดียวเราก็คิดว่ามันมันมันแบนบางที่มันโค้ง อันนี้ก็ต้องอาศัยนักคิดนักค้นคว้ามากพิจารณาทางโลกก็ทางโลกแบนเขาพิสูจน์แล้วไม่แบนโก่งทางศาสนาก็ทางจิตใจกับพระเจ้าก็มพิสูจน์แล้วค้นหาตัวตนไม่เจอไม่มีตัวตนอืมีแต่ตัวหลงที่เป็นสร้างตัวตนขึ้นมาพอหยุดตัวหลงได้ชั่วคราวเข้าสมาธิตัวตนหายไปหมดเลยเนยแต่สักแต่ว่ารู้ อย่างเดียวก็รู้แล้วอ่อนนี่คือความหลงออกว่าออกจากสมาธิมาว่าแทนที่จะมาคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราก็ต้องสอนมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่มันเป็นดินน้ำลมไปเราห้ามมันไม่ได้ควบคุมมันครับมันไม่ได้เหมือนดินฟ้ากาศมองให้มันเห็นว่าเป็นดินฟ้าอากาศมันจะเกิดก็เกิดมันจะดับก็ดับทำไงได้ อ้ามันได้ไม่ได้เมื่อเวลามันจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้ามันไม่ได้รักษาได้ก็รักษาไปบางทีก็รักษาไม่ได้ถ้าเราไม่มีความอย่างแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่ก็คือธรรมะที่พระเจ้าทรงหลักรู้เรามาสอนไม่มีใครรู้เนี่ยมีพระพุทธเจ้าองคเดียวเท่า้นที่สามารถเห็นอนัตตานะ ครบาอาจารย์ของพระเจ้าเที่องคที่ะองก็องมองไม่เห็นก็ยังคิดว่านี้เป็นตัวตนอยู่ยิงพระเจ้าในมาค้นพบความจริงก็เลยทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ปล่อยวางได้ว่าไปอยากในสิ่งที่มันเป็นบบไม่ได้มันก็ทุกข์ไปหมด น, นี่พยายามมองทุอย่างให้เป็นอนัตตาแล้วเราจะสบายแม้แต่ผู้รู้ผู้คิดจะไม่ใช่ตัวตนมันก็คิดไปตามเหตุตามปัจจัยได้ยินเสียงมามันก็คิดไปถึงเรื่องเสียงที่ได้ยินมานนัเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงดีก็เกิดตัณหาความอยากได้เสียงไม่ดีก็เกิดวิภาวะตัณหาความอยากไม่ได้ขึ้นมันก็เลยเป็นเรื่องเวลาเป็นไป พอเกิดปัญหามันกเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าไปเกิดปัญหาให้รู้เฉยๆเวลาเห็นภาพก็เห็นเฉยๆได้ยินเสียงก็ได้ยินเฉยๆอย่าไปว่ามันดีไม่ดีอย่าไปอยากให้มันอยู่แล้วอย่าไปอยากให้มันไปปล่อยมันมาปล่อยมันไปเหมือนดินฟ้ากาทกอย่างเป็นดินฟ้าอากาศหนดนี่คือการปฏิบัติปล่อยวางปล่อยวางด้วยปัญญา แต่ไม่เฉยมลยถ้ายังทําอะไรได้ก็ทําไปอร่างกายถึงเวลากินข้าวก็มันก็ต้องให้มันกินข้าวเวลาหิวน้าให้น้ามันไปแต่ถ้าถึงเวลาที่มันไม่กินเนออย่าไปบังคับให้มันกินไม่ต้องไปใส่สายยาบังคับมันกินมันจะมันจะแยกตัวออกจยกกันแ้วมันจะหยุดทํางานแล้วอย่าไปฝืนมันดีกว่าทรมานไปกว่าไม่เกิด้ประโยชน์เลย การการการการยุติการรักษาร่างกายไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นฆ่าฆ่าร่างกายทำไปตามอาการของร่างกายเมื่อร่างกายไม่สามารถตอบสนองการการรักษาได้เราทําไปทำไมทําไปก็เสียเสียเงนินเสียทองเสียเวลาเสียอะไรบา้ามๆก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันยแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย บ้านที่อยู่นี่ตอนนี้ก็ใหม่ๆ ม, มันก็ยังดีอยู่เนี่ยอยู่เปน็นนานๆแค่เดีย๋ยวมันอันน er, ั้นก็อันนั้นก็เสียอนี่ก็เสียอย่างสร้างใหม่ๆวันที่ก็ราคาญเปลี่ยนบ้านใหม่ดีกว่าอเราทุบบ้านเก่าที้งทุบตึกเก่าทิ้งสร้างตึกใหม่สร้างคอนโดใหม่ได้มาคอนโดใหม่สร้างมาเกี่ยนั่งเดียวมันก็มันก็เก่าอยู่ดีเดี๋ยวก็ต้องทุบทิ้งใหม่นีป ทุกอย่างแบบนี้เกิดแล้วต้องดับไม่ช้าก็เลยอา น, นิจังไม่เที่ยงอนัตตาห้ามมันไม่ได้อ่านี่คือถ้าไปอยาก้วจะทุกข์ถ้าอยากไปถ้าจะไปห้ามมันไม่ให้ถ้าไปอยากให้มันไม่ไ ม, ไม่ดับนั่นมันจะทุกข์อ่ามันเกี่ยวข้องกันอา น, นิจังทุกข์กับอนัตตา ส่วนใหญ่เราจะเห็นอนนี้จังเห็นเห็นทุกแต่เราไม่รู้ตัวสุดท้ายด้วหน้าตาที่จะทำให้เราปล่อยมันเพราเรายังไปยึดติดว่าเป็นตัวเร า, เ ป, เ, ร า, าเป็นของเราอยู่บ้านก็เป็นของเราอยู่ไปขโมยเงินเราไปก็อยากยาได้คือเพรเงินของเราบางทีมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วมันถ้าเป็นของเราเราก็ต้องอยู่กับเรา่นไปแล้ว งั้นก็อย่าไปยึดไปติดอะไรจะมาก็ปล่อยมันมาอะไจะไปก็ปล่อยมันไปให้เราใจทำใจเฉยๆให้รู้สักแต่ว่ารู้ไปก็จบถ้าไปยุ่งอะมันไปจัดการมันไปอยากได้แล้วอยากไม่ได้ขึ้นมาก็จะทุกข์ใจขึ้นมานะนี่คือเรื่องของนัตตาที่เดี่ยวยงถึงอั น, นิจังเดี่ยวยงถึงทุกขงังเป็นห่วงสามห่วง หมือนห่วงโอลิมปิกมีห้าหวงนี้สามห่วงมันกเกี่ยวข้องกันมันต้องเห็นทั้งสามเห็นเห็นนิจจังก็ต้องเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นที่เห็นว่าทุกเพราะว่าไม่ไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาเป็นทุกถ้าเั้นอนิจจังเห็นอนัตตามันก็จะไม่ทุกเพราะมันจะไม่อยากอันนี้ก็ไปยโยงกาลยิยาสัตว์สี่ทุกสมุทัยนิโรธมาตัวเดียวตัวทุกตัวเดียวกัน ตัวทุกข์ในตา ย, ตายรักอันนี้จังทุกข์กงหน้าตาก็เป็นตัวทุกข์ในอริยาาสัจสีตัวเดียวกันที่ทุกขอ์อยากอยากให้สิ่งที่มันไม่เที่ยงมันเที่ยงยันอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยทุกข์เนี่ยร่างกายมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายมันเป็นหน้าตาห้ามไม่ได้นี่คือหลักการพิจารณาปัญญา เข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์ต้อเห็นต้าเห็นทั้งเสาต้องเห็นทุกสัดส่วนเห็อนิจจังเห็นทุกขังเข้าใจว่าทำไมมันเป็นอนิจจังทำไมมันเป็นทุกขตงทำไมมันถึงเกิดทุกขังขึ้นมาถ้าเข้าใจหลังนี้เราก็สามารถปล่อยวางทุกอย่างได้ปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาปล่อยวางจิตได้ก็หลุดพ้นได้ อ่โอเคนะคุณหมอครั บ, บครัขอบคุณครนะับอาารย์ป้อนคําถามดีๆมาให้ญาติพี่น้องได้ได้ยินได้ฟังเลยนะขึ้นมาที่คุณหมอวีแกก็ป้อนคําถามมาอยู่เรื่อยติดตามคุณหมอวีไม่ช่างคุณหมอวีขึ้นมาแล้วติดตครับมีมีมีมมบ้าง<ร>ถ้าสะดวกก็ติดตามอันนัจะมีปัญหาลวนๆโอเคนะเอาเทานี้ก่อนคุณหมอครับขอบคุณครับ อะไรที่คุณสาธกะาเข้าใจไหมฟังเข้าใจไหมคุณสาธกกาคะเข้าใจหมดค่ะอ่านั้นต้องทําให้ได้ด้วยนะอ๋อปฏิบัติค่ะจานวางปล่อยวางค่ะปล่อยหมดสักแต่อ่าดีขึ้นค่ะอาจารย์แป้งชอบอ่าแปงย้อนก็เฉยเฉยอ๋อแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย ปีก แ, แต่เดี๋ยวนี้นิ่งไปเยอะแล้วค่ะอาจารย์นี่นี่มสบายกว่าเนียปยปนเป็นไงปี ก, กระทุกใช่ไหมใช่ค่ะแต่<ม>ก่อนอารมณ์ร้อน<ม>แต่เดี๋ยวนี้แบบอยู่ในห้องแล้วก็นั่งอ่านธรรมะฟังเทศน์จอมทำไปเรื่อยๆเรยพราะว่าเพราะว่าปกติไม่พอแม่ตายไม่มีอะไรทำอาจารย์ดีศึกษาธรรมะไปเรื่อยๆอย่าค่ะก็ก็ก็ก็ ก็ก็ทำตามที่อาจารย์สอนเทศเลยค่ะก็ปีใหม่ก็เป็นสตาคอร์ตออดี่ต้องเป็นทั้งปีเลยไม่ใช่แค่วันปีใหม่เตลอดค่ะอาจารย์ก็ก็ปกติก็คือจะจะแมนเด็กตัวเองอยู่แล้วค่ะอาจารย์คมีอะไรให้ทำอะไรให้คนอื่นก็มมีความจุดได้ก็ทำไปเพราะปกติรูปเป็นคนแบบ ง่ายๆไม่ค่อยวุ่นวายอยู่แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรโอเคอ่าพระอาจารย์อาจารยไปไปต่อเดี๋ยวคนเยอะเดี๋ยวว่าไม่จบก็บพระอาจารย์คุณมิ ร, ยรัยพรยอมยิ้มกับนิมมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะพระอาจารย์พระาอะระาจารย์โยมมีข้อสอบมาเล่าให้พระอาจารย์ฟัง ตอนแรกยมหนึ่งที่ว่ายมหนึงผ่านยอมหนึงวางใจได้พระอาจารย์เหตุคือมันเกิดกับหลานของโยมอะค่ะหลานหลานสามขวบอะค่ะพระอาจารย์น้องเขาอยู่ดีๆอะค่ะอาจารย์ก็คือเขาเป็นเบาหวานเด็กสามขวบเป็นเบาหวานเบาหวานขึ้นที่สี่ร้อสี่ร้อยกว่าเลยค่ะพระอาจารย์เบาหวานขึ้นจนเลือด เป็นเป็นกฎอะค่ะพรอาจารย์ hmm. คือตอนแรกอ ะ, อะคุณแม่เขาก็สังเกตว่าคือลูกอืดซึมใช่ไหมคะ hmm. พอลูกเขาซึมเขาก็คิดว่าสงสัยเป็นโควิดเพราะว่าคุณแม่เขาเป็นเป็นโควิดอยู่อะคะ่ะแต่ตอ น, นเนี้ยเน่เราญิงก็เลยว่าจะมาเฉียงทาไมก็ส่งลูกไปไปตรวจเลยสิพอไปตรวจโรงพยาบาลชนบุรีอะค่ะปรากฏว่าโควิดตรวจแล้วมันไม่ขึ้นค่ะพาอาจารย์แต่แล้วถึงก็เลยบอกว่างั้นก็ตรวจเลือดไปเลยลูก เขาก็เลยตรวจเลือดพอตรวจเลือดปุ๊ด้วยแฟนของสาวค่ะเขาก็สงสัยเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะเสิร์ชนะคะเพราะว่าหลานนะคะตอนหนึ่งทีนเขาจะฉี่บ่อยเขาจะฉี่คืนหนึงเป็นลิตรเลยพระอาจารย์ฉี่บ่อยตื่นมาฉี่ตื่นมาฉี่ตื่นมาฉี่เขาน่าจะเป็นสะสมมานานแล้วค่ะเพราะฉะนั้เขาเริ่มผอมแล้วเขาก็เริ่มตื่นกลางคืนแล้วก็ฉี่บ่อยฉี่บ่อยแล้วก็ เออฉี่เป็นฤิ์จนจนแฟนแฟนของลูกสาบอกว่าให้ให้คุณหมอช่วยตรวจเลือดด้วยช่วยตรวจเบาหวานด้วยเพราะตอนแรกทางโราบาลอ่ะเขาจะตวะูวเลือเฉยๆซึ่งเขาจะจะจะไม่มีการตรวจเบาหวานเพราะว่าคงจะไม่มีใครคิดว่าเบาหวานจะเกิดกับเด็กเลยค่ะอาจารย์เรากฏว่าพอตรวจเลือดมาปรากฏว่าอู๋ขึ้นมาเป็นสี่ร้อกว่าแล้วปรากฏว่า ทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าต้องส่งไปโรงพยาบาลศิริราชด่วนเพราะว่าทางเนี้ยไม่สามารถเอาอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมันมันขึ้นสูงเขากลัวเลือดจะเป็นกว ด, ดสรุปแล้วหลานเลือดเป็นกว ด, ดแล้วค่ะพระอาจารย์พอไปถึงปุ๊บไอซียูเาก็เลยเข้าเด็กวิกฤตเข้าห้องไอซีเลยค่ะแล้วหลานนะคะอยู่ในในโรงพยาบาลอนะ่ะสอสวันพระอาจารย์แล้วเขาอยู่คนเดียวเลยอยู่คนเดียวสอสองวันนอนร้องไห้แบบต้องมาตรวจทุกวันทุกวันแล้วก็ ตอนแรกโยมหนึ่งคิดว่าโยมแบบวางวางใจได้โยมหนึ่งมองทุกอย่างเป็นใจรักว่ามันเป็นกรรมของของหลานยังไงก็คือทุกอย่างแบบโยมคิดว่าโยมโยมโยมโยมไม่ร้องไห้โยมไม่ตโตกโยมไม่บอกว่ากลัวหรือว่ากังวลกระวายค่ะพระอาจารย์แต่สุดท้ายอ่ะที่โยมคิดว่าโยมวางใจได้โยมกดเอาไว้พระอาจารย์คือโยมกดผมเอาไว้โยมมาโยมมาร้องไห้ตอนที่ลูกสาวลูกสาวอ่ะค่ะเหมือนกับว่าเขาก็ทุกเนาะพระอาจารย์เพราะว่าเขาคือแม่ เขาก็ไปบรรยายในในอินในอินสแกรมว่าลูกเขาอ่ะเออหนึ่งถามว่าเนี่ยมีใครเป็นอย่างลูกเขาไหมลูกเขาเป็นอย่างนี้ต้องทอํายังไงนู่นนี้นั่นเพราะว่ามันทุกข์มากๆแล้วคำหนึ่งที่ลูกบอกว่าเขาเข้าใจเลยหัวอกของความเป็นแม่คือลูกเจ็บแค่ไหนแม่แม่ทุกข์มากกว่านั้นสองเท่าอะไรอนยะ่างเงี้ยเพราะอาจารย์พอพอโยมอย่างงี้อ่านเสร็จโยมนึ่งร้องไห้เลยแบบร้องไห้เพราะว่า สงสารแบบคือโยมเอาใจไปเกาะของลูกค่ะพระอาจารย์ว่า ค, คือคือคือเราคือเราเราเห็นความทุกข์ของลูกก็เห็นความทุกข์ของลูกใจเราก็หล่นไปถึงตระตุ่มทุกลูกสงสารลูกไม่พอแล้วสงสารหลานอีกเพราะว่าหลานคือเป็นแบบแก้วตาดวงใจของโยมหนิงเลค่ะเพราะว่าโยมหนิงไม่ไม่เคยมีลูกชายโยมหนิงมีลูกสาวสามคนโยมหนิงได้ลูกชายมากแต่ลูกสาวเนี่ยเขาก็เป็นของขวัญให้ก็คือได้ได้ได้หลานชายมา ซึ่งแบบเป็นโัวแก้วหัวแก้วัแ ว, แวแวงของโยมแต่โยมก็แบบโอโ้โหแบบหนู่อะโยมก็แบบโอ้โหแบบสุ ด, ส, ดสุดพระจารย์แบบทำใจแต่ตอนนี้โยมก็วางใจได้นอ้นองเขาก็น้องเขาก็ออกมาจากห้องไอซีูแล้วค่ะโยมเห็นถึงความอนิจจังแล้วก็อนัตตาความไม่เที่ยงเขาเป็นเด็กล่าเริองอยู่ดีปุ๊บเขาก็แค่ภายในแบบ คืนเดียวเองพระอาจารย์แบบเพิ่ไปเลยอะคะ่ะแล้วก็มันเป็นอนาตตาซึ่งแบบเราไม่สามารถไปบังคับอะไรเขาได้แต่ถ้าเราถ้าเราไปรักไปห่วงหรือไปเกาะว่าเขาเป็นของเราเราก็จะทุกข์จริงๆเท่าไหร่แล้วคือเขา่พระอาจารย์คือเขาก็อดทนนะคะเพราะว่าสองคืนแรกพระอาจารย์แบบเขาทั้งซ้ายทั้งขวาแขนซ้ายแขนขวาแล้วแล้วหมอตรวจทุกชั่วโมงเขามันติดอะพระอาจารย์เพระ า, พร ะ, าพระต้องดูแลยีบสี่ชั่วโมงถ้าพลาดไปนิดเดียวก็คือแย่เลยอะคะ่ะถ้าถ้าเกิด ตรงหลานช้าไปแค่วันเดียวหรือว่าหรือว่ า, วามันเกิดเราคิดว่าชล่าใจเออเขาคงป่วยทำไมได้ให้เขาอยู่บ้านนี่แย่ yeah, เลยพระอาจารย์ mm hmm. แบบสุ ด, ส ด, สดจริงๆแต่มันก็กลายเป็นแท่ลูกสาวลูกสาวโยมโเขาบอกสติแบบหล่นมากเลยเพราะเพราะว่าบังเอิญเขาเป็นโควิดแล้วเขาไม่สามารถไปดูลูกได้พระอาจารย์คือเขาต้องอยู่กักตัวอยู่ที่บ้านแล้วเขาก็ให้แฟนเฝ้าแนทนค่ะแล้วโยมลูกสาวเขาก็เลยหันมากลับมาฟังธรรมะแล้วเขาก็จะมา คิกธรรมะที่โยมติดตามพระอาจารย์นะคะทุกเพจเขาก็กดฟังกดฟังกดฟังกดฟังเขาก็เลยบอกว่าโอ้ธรรมะช่วยเขาได้ตอนนี้เขาเลยกลายเป็นว่าเขาก็มาศึกษาธรรมะแล้วพระอาจารยโยมก็เป็นโยมก็ <c oughs> เขาในวันนี้เขาขออนุญาตค่ะเขาถามโยมบอกว่าถึงถึงคิวโยมโยมหญิงหรื อ, อยางโยมบอกว่าเดี๋ยวจะขอความเมตตาพระอาจารย์เดี๋ยวเขาจะวิ่งมาอีกบ้านหนึ่งพอดีโยมแบะหลบมาอีกบ้านหนึ่งค่ะพระอาจารย์เพราะว่าลูกสาวเขาเพิ่งเพิ่งหายเจ้าค่ะ ยมยมขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำเขาได้ไหมคะว่าคือการเดินทางของเขาต่อไปอ่ะคะ่ะในการลูกอ่ะคะ่ะเขาจะวางจะวางใจอะไรยังไงแต่เขาก็วางใจได้ระดับหนึ่งแล้วเจ้าค่ะก็อย่างที่บอกพยายามศึกษาความจริงของร่างกายแล้วมันก็เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟค่ะพระอาจารย์ ยงั้นยมขออนุ ญ, ญาตผ่นก่อนก็ได้ค่ะยมขออนุญาตถ้าลูกสาวมายมขออีกรอบหนึ่งได้ไหมเจ้าคะ่ะอได้ได้จะ เ, เข้ามาแล้วยกเว้นเพื่อนก็แล้วกันค่ะขอบคุณพระอาจารย์เจ้าคะ่ะโอเคไปนะที่คุณออนอนองต์ต่อคุณออนอนองต์เช่นมัดการสวัสดีปีใหม่ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ปีนี้เจ้าคิดว่าจะปฏิบัติมากขึ้นาชา่วง ช่วงเดืนทันวได้ปฏิบัติมากขึ้นไอ้ที่เจอเวทนาเจ็บขาก็เริ่มข่างได้ดีขึ้นแล้รพระอาจารย์เริ่มนิ่งได้มากขึ้นและช่วงที่ตอนแรกมันโอ้โหกว่าจะข่างได้มันพอเราปฏิบัติมากขึ้นเรื่อยๆก็ก็รับมือกับมันได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ทุกวันก็ที่เสเรีนพระอาจารย์ว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่เอามาใช้ได้ตลอดก็คือเราสามารถที่จะละพวกความอยากความไม่อยากเรื่อง สมุดไทยทั้งแต่ปัญหาทั้งสามเนี่ยพอเราหยิบตรงนั้นมาใช้ได้ตลอดเนี่ยความทุกข์มันเข้ามารบกวนเราได้ยากมากเลยทั้งเพราะเราไม่ไม่ได้ไปอยากใครอยากอะไรไม่ได้ไปบอกไม่อยากอะไรอะไรจริงๆอะไรของความทุกข์เราคือความอยากของเราเนี่ยนะหรือความไม่อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี่พอเรามไม่ไม่มีตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนมันสงบจริงๆนะพระอาจารย์คือเหมือนเราเราไม่ได้มีเราไม่ต้องรู้สึกทุกข์เลยเพราะเราไม่มีความคาดหวังอะไร ใช่เราเฉยเฉยฝ่ายอาจารย์ใช่ก็โอเคทําแล้วก็ไม่ได้แบบต้องไปหยิบมันมาเป็นทุกใจของเราว่าทําไมเขาไม่อย่างนั้นทําไมเขาไม่อย่างนี้หรือทําไมเขาเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือพอมันไม่มีตรงนี้นี่คืออืะไรอะไรเขาเห็นนริยสัจนะมีดวงตาเห็นธรรมให้ไดให้มันเห็นตลอดเวลาให้ได้แล้วก็ต้องคอยเหันไปบอก้อสามีเริ่มเริ่มสมมติว่าไปแบบอย่างนั้นทีมอ เราอะลองยิงเมา อ, อย่างนี้พอพอเขาคิดตามเราพูดได้ปั๊ดหนึงเขาก็จะรู้สึกว่าเออจริงๆมันก็ผ่านไปแล้วเนาะคือแบบยงก็เลยรู้สึกเออดีเหมือนกันเขาก็าฟังเราบ้างคิดตามเราบ้างแล้วเขาเย็นลงได้บ้างเนี่ย อ, อย่าพยายามก็เห็นตามเราบ้างอย่านี้แต่เขาไม่เห็นก็โชคขึ้นมาได้ยังไงก็แค่บอกว่าก็ลองดูลองพิจารณาดูนะนแล้วจะถือเห็นว่าเอ อ, อเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องใจบอกว่าใจได้รับทุก แต่ว่าดีมากมากเลยครับอาจารย์ตรงนี้ยคือมันมันเป็นเป็นจุดแบบจุดสําคัญมากเลยแล้วมันต้องคอยเห็นอยู่ตลอดคือพอเราพิจารณามันเอามันมาใช้ตลอดเนี่ยมันก็เกิดความสงบในใจมากจริงๆอ<า><ช>ืมดีดีมากนะ เ, เห็นผลเห็นประโยชน์ของธรรมะมากกว่าเมื่อก่อนเยอะนะเข้าใจหลักธรรมนะใช่ค่ะแบบว่าอันนี้แบบชัดมากอาจารย์ตะก่อนไม่เข้าใจคําว่า แบบมันบอกเราบอกเราบอกว่าเราเนี่ยทุกใจเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนั้นเป็นนี่แต่จริงๆพวกนี้มันคือสมุทรไทยทั้งมันเลยอ่ะคือมันคืออย่างนั้นมาเดิมคิดว่านั้นนหะคือความทุกข์ว่านั่นค่ะพอฟังศึกษาไปแล้ววอันนี้คือสมุทรไทยตัวของทุกเลยแหละจริงๆแล้วเนี่ยอืมเราละตรงนี้ได้เนี่ยไอ้ที่เหลือมันจะสบายและสงบมากจริงจริงก็ก็เลยมาจากเรียนว่าก็ฝึกสติ เพิ่สมสติเพิ่มสมาธิเพราะให้มันตัวเบรกปัญญาเป็นตัวบอกบอกว่านี่สมุทัยเกิดแล้วนะหยุดมันได้ไหมเพราะมันยังคงจะมีสมุทัยละเอียดกว่านี้ที่เรายังไม่เคยเจอกนะันนะยังยัไม่เห็นก็ได้แต่มันมีมันมีมันสมุทัยมันมันเป็นปัญญาละเอียดนปฏิบัติไปเบื้องต้นเราจอโวกตัวอหยาบก่อนตัวชัดๆตัวแรงๆก่อน ถ้าจะไปเจไอ้พูดตัวละเอียดละเอียดเนยต้องต้องถหาโจทย์ที่ละเอียดขึ้นโยมว่าพวกนึงก็จะก็ต้องทขาข้อสอบไปเรื่อยๆอย่างที่ท่านว่าอย่าประมาณพยายามสร้างสติสร้างสมาธิไว้เป็นเครื่องมื อ, อมันวิจารณาปัญญามันวิจารณาตายละในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เรื่องอ่าครับอาจารย์น้อมนําไปปฏิบัติครับจารย์อ่าครับค่ะอาจาเห็นคุณโอเคค่ะ อ า, า, าจารย์ใช่ไหมที่อาจารย์พรมพิไลกรธรมเชื่อาจารย์นไน ง, งานคอนทุกคนอยู่ว่าดูค่ะกันมัสกรรมพระอาจารย์ค่ ะ, ค ะ, คะสวัสดีปีใหม่ครับอคะอะครัเรื่องฉลองกันที่ไหนบ้าอยู่บ้านค่ะหลันนะงคามีครับ <laughs> ไม่ไปไหนกันมานานแล้วค่ ะ, ะ, ะเดี๋ยววันศุกร์เจอ ถ้ายังแข็งแรงกันอยู่นะคะจะเป็นตักบาทมันอ่า้ค่ะเหมือนเดิมค่ะเออาไปรับพลังค่ะอไปรับแฮปปี้เนสอย่างว่าอย่าี้ว่าเป็นตัวมาด้วยนะเอาแบบหลายแถวเอาแบบหลายแถวด้วยก็แบบที่ไหนอ่าไปที่โกเบคุนจู กลับในมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะเข้ามาฟังธรรมเจ้าค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่เสมอเสมอเจ้าค่ะ ท, ที่น ม, ม, มีมีส่วนมนุ์ข้าปีหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีเลย <laughs> ย่อตามวัดที่ไปก็าอาจจะจัดส่วนมนุษย์ข้ามปีกันไม่มีนะแถวแถวนี้ถ้าถ้ามีวัดไทยก็จะหยุดที่โอซาก้านะคะพระอาจารย์ต้องไป โมงค่ะไกลค่ะแต่ว่าตอนเช้าวันวันที่หนึ่งหนูตื่นมาแต่เช้าหนูเดินไปวัดใกล้ๆบ้านนะคะพระอาจารย์ไปรมศการไปไหว้พระมาเจ้าค่ะลองทิ้งพระคนเออวันเริ่มต้นที่ดีไปบไปบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เจ้าค่ะโอเคไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรโอเคแต่ว่าจี่ใหม่ค่ะเอ่าส้วุ ไปให้คนที่ติดม า, ออานะบบนอนเมลกับนอสการ์ค่ะพระอาจารย์พรุ่งนี้วันพระเดี๋ยวหนูไปกลับฟังธรรมกับพระอาจารย์ค่ะมาอ้กแล้วใช่ค <มา S 2> ่นะตัง้งใจค่ะว่าทุกวันพระจะไปฟังธรรมค่ะ <c oughs> โอเคางานงานได้ในวันพระไม่ต้องกับวันหยุดอ่าว <c oughs> ขอขอยุดมันจะมีหยุดได้ทีละวันค่ะหนูก็เลยขออยู่เป็นวัาระแทนค่ะอ๋อเพื่ดีนะโชคดีได้เงินได้งานแบบนี้โชคดีค่ะพรายค่ะขอให้าติงแรงนะคะจนไปที่ไคแม่น้องแม่น้องหลินพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าขาได้ยินชัดเจนเลยเจ้าขาขาก็ป ก็ปฏิบัติเรื่อยๆพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ของหนูอะค่ะก็คุยกับอ่าป้าข้างบ้านอย่างเงี้ยค่ะเขาคือแล้วก็หลายๆคนนะคะคือเวลาคุยการเรื่องการปฏิบัติหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะเล่าให้ฟังแล้วป้าข้างบ้านก็สงสารแบบประมาณว่าหนหนูเดี๋ยวมาลดควา ม, มาแล้วก็มาผ่าสมองเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่า อ, อ๋อหนูอยู่ได้เพราะว่าหนูปฏิบัติทำ ค่ะคุณป้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีเวลาเล่าอะไรอย่างเงี้ยน้ําตามันจะไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเสียใจอ่ะค่ะหนูก็บอกคุณป้าคุณป้าไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเห็นน้ําตาหนูไหลหนูไม่ได้เสียใจกับร่างกายร่างกายมันแสดงเองอย่าเงี้ยค่ะเจ้าข้าพระจารย์หนูก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้หนูก็สุขดีนะเจ้าค่ะแต่ร่างกายมันแสดงออกมาเองเงี้ยเจ้าข้าหนูมันไปบังคับว่าไม่ให้ร้องไห้ไม่ได้อย่างเงี้ยเจ้าข้าพระอาจารย์ ร่างกายหนูก็เลยเออหนูก็เลยพิจารณาตัวเองแล้วดูร่างกายตัวเองใช่ไหมเจ้าข้าพระอาจารย์หนูก็เลยว่าบางอย่างเราก็ไป บ, บังคับมันไม่ได้อะค่ะพระอาจารย์จะไม่ให้รอห้องไห้มันก็ร้องออกมาเองโอ้โหหนูก็เลยบอกอุ้ยมันเหมือนการแสดงเลยนเะจ้าข้าพระอาจารย์ mm hmm. เหมือนแสดงละครเนี่ยคะ่ะทให้คนที่เห็นข้างนอกเข้าสงสารไงเจ้าข้าพจาจย์แต่หนูก็พยายามบอกว่า ไม่ต้องสงสารหนูนะหนูสุขดีแต่ร่างกายมันเป็นเองของมันเองเจ้ขาข้ะพาจาย์หนูก็เลยบอกว่าบางอย่างเราก็ห้ามเอาวิทย์วะบางจุดเราไม่ได้คือเจ้ขาข้ะพาจาย์อันไหนที่ใช้ได้ก็ไปใช้เต็มที่เจ้ขาข้ะพาจา้าแต่บางอย่างถ้ามันพังแล้วก็ยอมรับบขว่ามันพังไปแล้วมันซ่อมไม่ได้แล้วเนี่ยเจ้าข้าพาจา้าก็เลยไปใช้จุดอื่นอย่างเนี้ยข้าพาจยา์คืออย่าง หูหนูเสียไปข้างหนึ่งหนูก็มาใช้หูขวาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. หน้าเสียไปข้างด้านซ้ายก็มาใช้ด้านขวาเจ้าค่ะ mm hmm. พอเวลาไปเราไปน้งพือหนูไปดูกล่องเสียงถึงเอามาพาดไปข้างซ้ายแล้วก็ใช้ข้างขวาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็หยุดมันให้เป็นค่ะแล้วก็ตอนแรกหนูก็สงสัยว่าเอ๊ทำยังไงคือเป็นความอยากมีความอยากว่าอยากจะหายใช่ไหมเจ้าค่ะก็ไปกินนูกินยากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอเรายิ่งอยากมันก็จะยิ่งทรมานหนูก็เลยไม่เอาแล้วไม่อยากมันก็เลยไม่ค่อยเจ็บปวดหรือทรมานร่างกายเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. ปล่อยเลย mm hmm. ก็เลยมองเห็นว่าถ้าเรายิ่งอยากแล้วเราก็ยิ่งจะทรมานร่างกายเจ็บปวดนะคะพระอาจารย์ mm hmm. รว่าลองประเมินเจ้าคะ่ะพอลองประเมินดูพวกหนูเป็นพยาบาลต้องประเมินความเจ็บปวดผู้ปว่วยใช่ไหมเจ้าคะ่ะว่าเนสกรมากขนาดไหนนะคะหนูก็เลยต้องมาพิจารณาตัวเอง เราเราอยู่กับสภาพอย่างเงี้ยเรายังเจ็บปวดมากไหมแต่ถ้าปฏิบัติไปด้วยแล้วมาประเมินด้วยความปวดไม่ได้สูงมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็แค่รู้ว่าปวดสุดแต่ว่าไม่ได้เจ็บถึงที่เต็มที่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ <c oughs> ก็เลยได้มาโอ้ก็เลยมาเข้าใจว่าถ้าเราเออยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้อยากที่จะหายอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็ไม่ได้ทรมารแลวมันก็จะไปมันก็เลยมีแรงไป ทำงานต่อทุกๆวันเจ้าค่ะพระอาจารย์เนี่ยค่ะได้ดีแสดงว่าใจิตใจเราไม่ทุกข์กับร่างกายไหยวหว่านได้เจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะเพราะว่าแต่ก่อนหนูติดว่าอุดหนูสวยหนูแต่งหน้าหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลำ้ำเป็ น, ปนประบำบัดปัจจุบัน ม, มันไปอีกทางนึงคือมันไม่เอาเลยค่ะกับด้านเริมทางโลกแต่ตก่อนหน้านี้พระอาจารย์หนูเคยบอกแม่ว่า หนูอยากลาออกหนูอยากบวชมากเลยมันเป็นอารมณ์ที่แบบอยากบวชแล้วคะ่ะพระอาจารย์คือแม่ก็แม่ก็เฮ้ยแม่ก็ตกใจแลคะค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งปฏิบัติงานระบบราชการใช่ไหมเจ้าคะแต่จริงๆแล้วี่หนูมาเป็นราชการเพราะว่าหนูจะเอาค่ารักษารักษาสุขภาพเนี่ยแหละเจ้าคะ่ะกลัวไม่มีตังจ่ายเฉยๆอะคะ่ะก็เลยสู้เป็นข้าราชการเนี่ยเจ้าคะ่ะก็เลย หนูก็เลยได้ผ่าตัดตั้งแต่ขาถึงสมองเลยเจ้าค่ะเอาทุกแต่ยั ง, แ ต, ยงแต่ยังไม่ตายนะเจ้าค่ะก็ยังรุ่ยต่ อ, อยังไงคะ่ะก็เลยว่าโอ้เป็นพยาบาลที่ประหลาดมากเจ้าค่ะอาจารย์อืก็เลยเจ้าค่ะสาธุค่ะอ่าอาจารย์ดีก่า น, นะค่ะสาธุค่ะสําหรับคุณวิไลพรท่านลูกสามมา ก, ก็ยกมือขึ้นนะอะ ไ, ไรู้มาไปที่คุณสุภาาัชต์จ้าต่อ Texas. เท็กซัสกัน กลับแล้วมรดการพระอาจารย์เจ้าค่ะสวัสดีปีใหม่เจ้าค่ะนะครัรู้กับมาเท็กซัสแล้วเจ้าค่ะก็ทำหน้าที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ของคุณสามีเรียบร้อยเจ้าค่ะวันนี้ที่ไหนหนาวกว่ากันไวโอมิงกับเท็กซัสที่ไหนไวโอมิงไวโอมิงหนาวมากกว่าหนาวสุดๆเลยเจ้าค่ะไปยิงมีฟ้าด้วยโอ้ชิไวโอมิงลบลบ ตอนนี้ลบ12 13เจ้าค่ะแต่ว่าเคยลบถึง24 25เจ้าค่ะองศานะเจ้าค่ะเซลเซียสเซลเซียสเซลเซียสเซลเซียสเาค่ะ้ค่ะเซลเซียสเจ้าค่ะตอนเจ้าเช้านี้ที่เท็กซัสประมาณ2เซลเซียสเจ้าค่ะเจ้าคก็อุ่นอุ่นกว่าอุ่นกว่านอยเจ้าค่ะก็ เออเสาร์นี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกเจ้าค่ะครบรอบอีกแล้วก็เลยจะขอพอรของอาจารย์เมตตาให้พรลูกด้วยเจ้าค่ะขอให้เจอวันไม่เกิดนะเกิดแล้วมันเป็นทุกข์นะขอให้เอาชีวิตให้เป็นชีวิตสุดท้ายให้ได้ชาติสุดท้ายปฏิบัติไปไ<อ>ให้เต็มที่แล้วไม่เกินเจ็ดวันเจ็เดือนและเจ็ปีก็จะได้ผลอย่างแน่นอน สาธุเจ้าค huh ่ะสาธุเจ้าค่ะน้อมนําเจ้าค่ะรู้จะพยายามเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะไม่มีอะไรใช่ไไม่มีอะไรเจ้าค่ะปฏิบัติเจ้าค่ะเหมือนเดิมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะไปที่กอธรรมลูกหมอภาษนากรดนมัสการถวายอาจารย์ค่ะต้ สุดสี่วันนั้นก็ไม่ได้เป็นงานเลี้ยงเลยนะคะคือไม่ไม่อยากไปอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะแบบปฏิเสธได้แล้วก็ไปวัดพระอาจารย์ก็ไปวัดใกล้บ้านนะคะเพราะว่ามันรถเยอะไปวัดเจนเวฟ ส, สักวันก็ไปนั่งสมาธิก็สงบกับพระอาจารย์ค่ะพาแฟนไปแล้วก็ทบทวนวันนี้พระอาจารย์เทศก็ได้ทบทวนแต่ทั้งปีก็รู้สึกขอบคุณพระอาจารย์นะคะเพราะว่ามันมันสัมผัสได้ถึงความที่เปลี่ยนไปของใจตัวเองะคะ่ะเดี๋ยวปีอทิปีหน้าก็จะตั้งสัจจะว่าก็จะพยายามปฏิบัติ คือพอสมาธิที่ที่อาจารย์สั่งสอนมาเพราะมันมันสมาธิที่ได้มากขึ้นมันก็ทําให้ปล่อยได้มากขึ้นมารู้สึกสงบขึ้นค่ะอาจารย์จะพยายามทําเลตลอดเวลาค่อยปฏิบัติอย่างอาจารย์ตั้งใจเออย่าไปค่อยมากนะเดี๋ยวไม่ทันการนะื่องามันน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ไม่ใช่ค่อยคือคือตั้งใจทําทุกวันน ะ, ะอาจารย์ไม่ได้อ่ตั้งใจทําปฏิบัติตั้งใจทําทุกวันนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าลูกหยุดลูกลูกจบแล้วค่ะ ก็จะให้สอนเนี่ยเขาจะขับรถได้แล้วคันนี้เราสบายแล้วก็จะได้ไปวัดก็คือปีหน้าเนี่ยพอลูกลูกคนโตขับรถได้เองแล้วเนี่ยก็จะได้ไปวันกับพี่นุมได้ตลอดเพราะคนเล็กเขาอยู่หออยู่แล้วเขดูแลคุณพ่อค่ะอ่าโอเคไปได้กูซาในารที่ว่าวันนี้ใครมาอยู่ด้วยคุณมาริการ์มวัฒการข่าอาจารย์นวัฒการจุกขาอาจารย์มาเป็นเพื่อนรักกัน รุ่นน้องถ่าจาย์เขารุ่นน้องแต่ว่าทีนี้ก็ก็มันหายากนะคะาจา์คนที่จะเดินทางมากับเราแบบนี้ค่ะก็ได้เขาติดโ ย, ยมคิดว่าโยมจะมาคนเดียวบอกว่าไม่ได้นะอย่าไปคนเดียวอย่างน้อยก็ไปกันสองคนได้พากันมาโ ย, ยมก็โอเคค่ะได้พาเขามาทำบุญได้มาปฏิบัติธรรมมันก็เป็นกุศลกับโยมด้วยค่ะอาจารย์อตอนนี้มาปฏิบัติธรรมอยู่เลย เอ่อจะไปพรุ่งนี้ค่ะมาไปพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เพิ่งมาพักที่วอลิตาเนี่ยค่ะอ๋อมาจุดตอนทุ่มกว่ากว่าค่ะอืมแล้วพรุ่งนี้ก็ใส่บาตก่อนแล้วก็จะไปฟังธรรมน้ากุติแล้วจะขึ้นเขาค่ะโอเคกี่วันนะจะมาอยู่เท่าไหนะมาอยู่เจ็ดวันค่ะจันเจ็ดวันอนะ่าแต่คือโยมตอนนี้รู้สึกว่าเอ่อจากการฟังธรรมวิสัชนาธรรมของหมอวีเมื่อสองสัปดาห์หรือก่อนเนี้ยค่ะเรื่องความตายค่ะอาจารย์อืม พอฟังแล้วมันมีคําถามผุดขึ้นมาในใจว่าแล้วเราเกิดมาทําไมชีวิตมีแต่ทุกข์มันมีแต่ความว่างเปล่าแล้วเราเกิดมาแล้วรู้สึกมันมันเวิ์ว่างไปหมดเลยค่ะอาจารย์รู้สึกทุกอย่างมันเวิงว้างรู้สึกโดดเดี่ยวมากเลยค่ะอาจารย์โยมควรจะทํำยังไงเราเกิดมาเพื่อหยุดการเกิดไงคือแบบพอก็เมื่อวานนี้รู้สึกมันยังตามมาก็ขับมอเตอร์ไซค์วนในในใน ตลาดเนี่ยคะ่ะก็ทักคุณหลาไปคุณหลาก็โทรทักกลับมาให้กําลังใจค่ะจะรู้สึกแบบมันหาคนเดินทางร่วมทางกันแบบนี้มันยากมาก ม, มีเด็กเพื่อนเข้าไปเที่ยวกันอืมนั่นแหละถ้ามันเกิดความรู้สึกอะไรก็พิจารณาเป็นตายรักไปอย่าไปอย่าไป <c oughs> อยากให้มันหายมันมีเหตุปัจจัยทำให้มันเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มเดี๋ยวมันก็ดับไปเองเราก็ตั้งสติของเรา รักษาใจให้เราเฉยๆอย่าไปเศร้า<ม>อย่าไปดีใจกับมัน<อ>เฉยๆไปใช่ค่<ม>ะโมกว น, นอารมันเป็นเรื่ออารมณ์อย่างหนึ่งเป น, นั้นนองนิจจ์อย่างที่<ม>เรือกจิตเนี่ยให้รู้ทันจิตนี่มันไกลมันสติปัญญาอะไรยังไม่ทันะค่ะมันรู้สึกแบบมันมันเหมือนกับว่านั่งมองไม่เห็นฝั่งอะไรประมาณนั้นนะคะอาจาร<ม>ย์ผู้ยมคือว่า อ, อ๋อพระภิกษุที่เ้าบวชกันแล้วเขาออกกลางคันก็น่าจะอารมณ์นี้ อารมเงาว้าเหว่ใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะแสดว่าจิตไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วมันจะไม่เกิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นลงฝึกติดทา ส, ส ม, มาธิเยอะคือบังเอิญว่าช่วงปีใหม่อ่ะน้องเขาบอกว่าเขาก็โทรมาบอกว่าปีนี้ไม่มีแม่เขาดาวยมก็บอกเฮ้ยแม่ไปแล้วไม่ต้องไปห่วงแม่หรอกอะไรหรอกแต่ความจริงเราก็สะเทือนใจกับคาพูดนี้ค่ะมันก็เลย ทำให้เรายิ่งหมุนเข้าไปใหญ่ค่ะอาจารย์แต่ก็ตั้ง<ม>ตั้งสติได้แล้วค่ะแล้วก็พรุ่งนี้จะจะเริ่มตั้งต้น ต, ตั้งใจค่ะอาจารย์อช่เรานี่ยแหะ ค, <ม>คือทุกทุกเกิดขึ้นแล้วเราต้องเรียบมึงสติปัญญากลับมาทํำใจ ใ, ให้สงบอย่าไปปล่อยให้มันปรุงแต่งขึ้นมานั่นเกิดจากการปรุงแต่งของโมหะอวิชชาอ่าะสาธุค่ะสาธุค่ะอาจารย์ดิการณ์เรียน น้องกับน้มาตการเจ้าขับให้การก็เหมือนกับของลูกเองนั้นก็คือตั้งแต่กลับไปครั้งแรกแล้วก็ไปเผชิญปัญหามากมายแล้วก็พออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์แรกก่อนก็ทีว่าไม่ได้เข้าซูมก็นกว่านั้นน้องก็มาขอตาอีกก็ให้จนแย่งเลยทแต่ว่าจ์เหลือประมาณสองพันกว่าบาทก็บอกว่าหมดแล้วนะแล้วก็บอกว่า แล้วจะมาปฏิบัติทำแล้วก็เมฆก็อนุ ญ, ญาตทุกคนก็ อ, อนุ ญ, ญาตเลยเพราะว่าน่าจะจะเอ็นดูรูปมากกว่าเพราะว่าต้องต้องจ่ายตังค์ให้น้องที่ไปติดนี้ในลักษณะอย่างนี้ก็เลยบอกว่าอก็ได้ความกําังของพระอาจารย์นี่แหละบอกว่าการสร้างบา ร, รมีแล้วก็เราจะให้กรรมของเรามันหมดไปได้ในลักษณะหนึ่งก็คือ เขาจะตามเราไม่ทันอะไรประมาณนั้นเลยค่ะพระอาจารย์ลูกก็พูดไม่ถูกแต่นะ้อว่าว่ายังไงที่ว่าก็ว่าเราสร้างบารมีแล้วก็เขาจะตามเราไม่ทันดังนั้นก็บอกพอรู้นะมาทําบุญดีกว่าอืมแค่เอาไปทำโอเคขอพระคุณค่ะอาจารย์ะทุกครั้งเดี๋ยวถ้าไปถึงนิพพานก็ไม่มีใครตามไม่ทันนะสาธุเจ้าค่ะองคุลิมาเนยังตามไม่ทันไม่ตามพระเจ้ายังได้ไม่ทันเนี่ยสาธุเจ้ค่ะ โ <Okay>, อเคนะต่ทุขายาจัาไปที่<ม>อุดรคุณแนนอ่จารั์นสัแกไผออาจารย์นี่คำถามค่ะโอเคไปที่<ก>คุงรัีวุฒากาศกรุงรังสีอบคุพ่อค่ะที่หมายนี้นไปปฏิบัติทํามที่ไห น, ไ, หนไปที่วัดวัดภูพะบาทนะคะที่บ้านจังหวัดนะคะ เี่ยถ้ากันนายกค่ะค่ะหลวพ่อก็มีได้ได้ที่แล้วค่ะแต่ว่าอดีช่วงหยุดสามวันเนี่ยมันก็มีคนมามันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนจะที่พักมันไม่ไม่ไม่พออย่างเงี้ยค่ะหลวพ่อเทศกาลเงี้ยอย่างเงี้ยมันแน่นหน่อยช่วงเทศกาลมันแน่นน่อค่ะก็ไปฟังทักฟังธรรมฟังอาจารย์สอน เรื่องการปฏิบัติแล้วเราก็มาปฏิบัติเออยเนี้ยค่ะ mm hmm. หลวงพ่อคือหนูว่ามันก็ดีค่ะหลวงพ่อเพียงแต่ว่าหนูจะชอบแบบไปบนเขาแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีเสียงมีคนมาเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องก็ต้องรับฟปบสภาพไปจนกว่าเราจะหาที่ทีทนนด่ดีกว่านี้ได้ก็ดีกว่อยที่บ้านก็แล้วกันที่นี้ใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อ หวูก็เลยกะว่าถ้าช่วงสั้นๆหนูก็จะไปที่เนี่ยคะ่ะแต่ถ้าหนูลาลาได้หยุดยาวแบบไปแปดเก้าวันนีน้หนูก็อยากจะไปที่บนเขาะคะ่ะอ่ามันก็ต้องดูว่าจองที่พักได้หรือเปลนะ่านยค่ะหนูพอถ้าถ้าจองไม่ได้ก็ต้องไปแบบสั้นๆช่วงสั้นๆไปไปก่อนนะคะ่ะรือว่าว่าจุกใจเป็นไงพอพอใจ<ว>ได้ไหมว่าสุกใจก็ ให้ให้ญาติเข้าไปแล้วก็เขาบอกว่าที่พักเต็มค่ะหลวงพ่ อ, อเขาจองกันข้ามปีเหมือนกันค่อหลวงพ่อจองกันออตอนนี้คนเข้าวัดกันเยอะมากมากเลยค่ะหลวงพ่ออาจจะเป็นพ่อมีเสื่อแล้วได้ศึกษาได้เรียนรู้มากขึ้นนะมันรู้จกักธรรมะกันมากขึ้นค่ะแต่แต่ว่าที่หนูไปตรงตรงที่นครนายกตรงบ้านานาเนี่ยค่ะไม่ไม่ได้เปิดตัวค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนกับแบบ เขาบอกบอกต่อกันมาค่ะ mm hmm. แล้วอตอนนี้ก็คนเหมือนจะเริ่มเริ่มเริ่มรู้อะค่ะหลวงพ่อคือคือที่วัดเนี่ยจะไม่มีการตั้งโู้บริจาคจะไม่มีเชิญชวนทาโน่นทานี่แล้วแต่ว่าถ้าใครมาเห็นว่าเอออยากปรับปรุงอะไรก็มาม า, มาถามท่านถ้าท่านบอกว่าทำได้ก็มาทํากันเองอย่างเงี้ยคือท่านไม่ไม่เอาแบบนี้ค่ะหลวงพ่อท่าน mm hmm. เน้นเน้นศีลธรรม ถูกต้องผ้าปฏิบัติก็นั่งอย่างนี้และวอย่าไปเสียเวลากับเรื่องอื่น ม, ม, มากเกินไปท่านท่านไม่เอาค่ะบางคนก็มามาบอกว่าทําไมไม่ทําเหมือนแบบเป็นเป็นเหมือนล่างทรงหมอดูท่านก็ไล่เลยท่านก็ไม่เอาค่ะหรือวไม่ใช่ท่านนะคะใช่เพราะไม่เข้าใจใไม่เข้าใจธรรมะ แล้วแล้วท่านก็มีมีเล่าใฟังว่าลูกศิษย์จะมาเฝ้าท่านเวลาท่านนั่งปฏิบัติแล้วท่านจะนั่งเรียกอะไรอะคะหนูก็นั่งหลายห ล, ยหลยวันนะคะนั่งทีนั่งแบบสิบเก้าวันอย่างเงี้ยค่ะไม่กินข้าวไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยคะ่ะท่านปฏิบัติแบบค่ะเหมือนคล้ายคล้ายพ่อชานสมา บ, บัตินี่ค่ะท่านท่านนั่งนานๆอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ไม่เคยเห็นว่านจะ นานแบบนี้อะไรเนี้ยไม่เคยไม่เคยเห็นครับปฏิบัติแบบนี้นะคะ่ะแต่ท่านก็จะสอนแล้วก็อิงคําสอนอิงธรรมะแล้วก็โอเคพอพอได้ที่บ้างเนี้ยค่ะหาหาที่ปฏิบัติได้แต่แต่ถ้าชอบแบบส่วนตัวนหนูก็จะชอบแบบบนเขาแต่ทีเนี้ยถ้าถ้าหนูติดขัดหนูก็สามารถถามได้หรือไม่ก็แต่หนูก็จะมาเรียนกับหลวงพ่อปกติะคะ่ะ อืชอบชอบแบบปฏิบัติแบบมันท่านถ้ามึงเป็นคนเดียวอะค่ะหลวงพ่อ ม, มันจะเป็นแบบว่าทําทําเต็มที่ทําทั้งวันทั้งคนืนไม่วุ่นไม่วายอะไรแับใครงี้นหนูจะชอบแบบเนี้ค่ะหลวงพ่ อ, อแต่ก็โอเคพอได้ก็ได้อยู่ค่ะหลวงพ่อก็ปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่ออย่าอย่าอย่าย่อหย่อนนะพยายามรักษาความเข้มข้นไว้แต่หลวงพ่อทีนี้พอมันไม่ได้ โอมันไม่ได้แบบมันเหมือนมองอะไรไปก็ถ้าเราไปทําอย่างนี้มันรู้สึกมันเสียเวลาค่ะหนุมพ่อมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนข้างในอ่ะมันร่ําร้องว่าเออเราไม่ควรเสียเวลานะอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างมันมันก็ต้องยอมรับสภาพเนี้ยอย่าไปอยากเกินความเป็นจริงอ่าแต่อย่าเราทําไม่ได้มันจะทําให้เราทุกได้ค่ะหนูก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะหนุ่พ่อปฏิบัติเพียงแต่หาเวลาถ้า มันเพิ่มได้ก็จะเพิ่มยอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อดีโอเคอ่ทาท่านนี้ก่อนนะขอพบพระคุณหลวงพ่อขอบพระคุณวัสานพคุณเวลาพรกับลูกสาวกันดไหมอเแล้วโอเคเอลเรียบอแล้วลูกอ่อ พ, ออพูดได้เลยมันห้างอือเราพูดได้เลยพูดได้เลยชัดเจนค่ะ เออคือพอดีว่าลูกข mm ้า hmm. พเจ้าเพิ่งรู้ว่าเป็นลูกข้าพเจ้าลูกโยมแ ล, ล้ลูกโยมลกโยมคือเพิ่งตรวจเจอว่าเป็นมบาหวานตอนสิ้นปีนะค่ะเป็นอายุสามขวบเป็นโรคที่เหมือนกับว่าสักแสนคนก็จะมีเป็นสักสิบห้าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะหา ย, ยากนิดนึงในเด็กอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแล้วก็เป็นโรคที่รักษาได้ไม่ไม่หายคะ่ะคือเหมือนกับว่า ตับเขาตับอ่อนเขาพังเขาผลิตอินซูลินเองไม่ได้เขาก็จะกินอะไรเข้าไปเขาก็จะต้องใช้ใช้ฉีดอินซูลินเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ต้องกินเท่าไหร่ฉีดเท่านั้นห้ามขาดห้ามเกินเพื่อให้คุมรักษาระดับน้าตาลแล้วเขาก็จะมีสุขภาพที่เหมือนคนปกติอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกังวล กมมม็มองในในแง่ที่ดีวด่าดีที่ยังมีรักษาได้ดูแลได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้อาจจะต้องเสียชีวิตไปไมได้เขาเพิ่งค้นพบวิธีไอตัวรักษา ไ, ได้สักร้อยปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เ, เขาใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นเรื่อยๆก็ต้องขอบคุณพวกเทคโนโลยีการแพทย์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ม, ม, มันก็อาจจะมีมีมีผลดี เพรว่าทําให้เขารู้จักทุกว่าเป็นยังไงด้วยวเกิดแก่เจ็บตายเป็นยังไงขึ้นันก็ได้อนนทำนี้เขาไม่ประมาณก็าอาจจะทําให้เขามาสนใจเกี่ยวกับการเข้าหาธรรมะมากขึ้นก็ได้อันนี้รวมถึงตัวผมด้วยค่ะอาจารย์ใชก็รู้ว่าถ้าเร า, าสุขภาพแข็งแรงเราก็จะหลงเรเลยไปกับการทำอาหากินหาลาบยศเสริเสริญสุกงอม พระเจ้าสอนให้ชาวพุทธเรานึกบ่กบอยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่ยอมนึกกันเน้องไม่ชอบกันมันต้องให้ของจริงมามามาแสดงให้เห็นเราต่อหน้าต่อตามันถึงจะอืมโชคดีที่มีไอ่แม่เขาก็ามีปฏิบัติทำอยู่มากเขช่วยย้ายนำได้ช่วยอะไรได้ในระดับหนึ่งถ้าไปอยู่กับครอบครัวที่ไม่รู้นี่ก็อาจจะไม่รู้จะไปพึ่งที่ไหนกัใครเจอกัยฮะ าจจะไปหาหมอดูอาจจะไปข อ, อน้ำมนอะไรกันวูดวายไปหมดใช่ไหมอันนี้เราโชคดีอยู่ใกล้ธรรมะก็ดีพยายามเข้ามาศึกษาเรื่อยๆน ะ, ะพยายามรักษาใจเราก่อนลูกก็ดูแลไปแต่เราก็ต้องไม่ไม่ทอดทิ้งใจของเราอย่าไปทุกขกับลูกจนกระทั่งเราเราทุกขเดือดร้อนขึ้นมาลูกเราก็ดูแลไป สว่วนเป็ไปอะไรมันก็ เ, นเรื่องเป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมของเขาไปเราช่วยเขาได้เท่าไหร่ก็ช่วยไปทำไปมีอะไรอยากจะถามไหมก็ต้องก็ในใจก็คิดว่าถ้าเขาจะต้องอยู่โลกนี้ค่ะเขาก็ควรจะมีอะไรที่พึ่งทางใจก็อยากให้เขาเข้ามาทางธรรมะเหมือนอ ก็ต่อไปก็ต่อไปสอนก็ seg. ตอนนี้เราก็เรียนไว้ก่อน Congo. เรียนจากแม่เรานี่แม่นั่งสมาธิยังไงฝึกสมาธิไปฝึกสติไปเอฟังเทศฟังธรรมไปถ้าเป็นไปได้ก็เข้ามาฟังเนี่ยทุกคืนวันพุธก็มีคุยกันเรื่องราวเรื่องธรรมะต่างๆโดยจะฟังธรรมของเราทุกวันบ่ายสองโมงก็มีการแสดงถ่ายทอดสดก็ดูย้อนหลังก็ได้ให้แม่แม่ให้แม่บอกว่าอยู่ตรงไหนเราเข้ไปดู ศึกษาษไปเรื่อยต้องใจเย็นๆอย่ารีบร้อนเพราะก่อนจะเข้าใจมันอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรลูกสาวเขาวางใจได้เขาเขาเขารู้สึกว่าผ่อนคลายได้เพราะฟังธรรมะพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่เขากินไมได้นอนไม่หลับน้ำหนักลงไปสองโลภายใ น, ว, นวันสองวันเนี่ยครับดึกเครียดมากาเครียดมากมันก็บบยังดียังมีงได้มีสติหนึ่งกลับมาได้ใช่อืมเยอาจัง ขอไมนะ่ตาพระอาจารย์เนาะเขอายเป็นของ้สู้ต่อไปนะสู้ด้วยธรรมะนะสู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญานะพระอาจารย์อย่างนี้ถ้าอีกหน่อยถ้าหลานเขาโตอะค่ะเราเขาจะบวชจะมีปัญหาไหมคะเกี่ยวกับการกินอาหารของเขาแล้วก็อินซูลินที่ต้องให้อะค่ะแตพิจารณายัางไง เพระผู้ที่จะรับขอบและบวชเนี่ยต้องเป็นคนที่จะตัดสินอีกทีว่าเราจะรับหรือไม่รับนะได้ค่ะเพราะหลานเขามีฉายาว่าทีลจิตโตเจ้าค่ะอืมค่ะค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ขอบขอบพระคุณในความเมตตาพระอาจารย์เจา้จาค่ะอสาธุจ้ากลับมาที่คนป่้ยนะเป็นป่้ยต่ออา จ, จายป่้ยลักเซมเบอร์ถามนรรษการพระอาจารย์เจา้าค่ะสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ อ่ปีใหม่ที่ลักเซมเบิกเหมือนกับปใหม่ที่เมืองไทยหรือเปล่าโยมไม่ได้ไปไหนเลยโยมปฏิบัติเหมือนผู้อาจารย์สอนโยมนั่งสวดมนต์ข้ามปีของโยมเองแต่ยูทูบแล้วก็นั่งสมาธิอืแล้วก็เวลาเมืองไทยเขาสวดกันเที่ยงคืนโยมก็สวดโยมเริ่มสวดตั้งแต่ตอนบ่ายของเมืองลักเซมเบิร์กแล้วค่ ะ, ะไปถึงเที่ยงคืนของเมืองลักเซมเบิร์กเลยอพราว่าหกชั่วโมงเลย ใช่คะ่ะแล้วก็นั่งสมาธิด้วยโยมไม่ไม่มันแบบเราอาจจะแก่มั้งคะมาแล้วหรือว่าเรามาทางธรรมมากเพราะว่าโยมฟังพระอาจารย์แล้วโยมก็ไม่อยากจะออกไปสนุกสนานเขามมีสนุกสนานคะ่ะมีมีจุดพงจุดพุกคือเราดูหน้าต่างก็ได้ล้วก็มันก็เหมือนกันทุกปีทุกปีเนะี yeah, ่ยใช่แเหมือนกันทางสเสียงใช่แต่ว่าการการสวดมนต์ข้ามปีนี่คือ มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเราจะรู้สึกได้เลยว่าใจเราดีขึ้นแล้วมันมันมันมันมันรู้สึกมันเวลาเราสวดมนต์หรือเรานั่งสมาธิไปแล้วแบบมันโล่งๆอย่างไงแต่ทีนี้พอพอวันที่หนึ่งปุ๊บยมไม่สบายเลยเป็นไข้หวัดมาสามวันและประจา์ถก็เป็นธรรมดาพระเจ้าบอกเกิดมาแล้วก็ต้องการเจ็บตายเป็นธรรมดาใช่ค่ะแต่ยมถึงถึงจะไม่สบายยมก็ปฏิบัติคะ่ะ โยมก็สวดมนต์อพอวันที่หนึ่งโยมก็สวดอีกสวดสวดมนต์อย่างที่เออคือคือโยมเข้าไปดูโยมไม่รู้หรอกว่าเขาะจะใ ช, ใช้วิธีการยังไงโยมก็เข้าไปดูใน youtube ว่าเออจะมีบทสวดไหนที่สวดแล้วมันทําให้ชีวิตดีสวดแล้วมันทำให้อะไรอย่างนี้เป็นก้าวบดเป็นชั่วโมงช่วมงอะ่ะโยมก็นั่งนั่งสวดตามพระไปอะ่ะโยมก็บอกกับพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้โหอ น, นิมนต์พระมาทั้งเมืองไทยเลยนะเนี่ยมาตรวจแต่โ ย, ยมออืมอืมน่ โ <Okay. S 2> ยมก็ตั้งใจว่าปีเนี้ยจะเป็นปีที่โยมจะเดินทางทำอย่างเต็มที่เพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วโยมก็ถือศีลแปดเลยโยมไม่แต่งหน้าเลยนะวัน uh huh. นี้โยมบอกไปข้างนอกมากหัเป็นวัน<า>แรกก่อนหัวป่ะ <laughs> ยังนะยังนะยังวนะ <laughs> ะจังก <laughs> ็ยังแสดงว่ายังไกลอยู่นะแล้วก่อนหัวนะ่าไ <laughs> กลในคูณตัวโ ต, ตเนี่ยก่อนหัวหมดนะ ใช่ใช่น้องเขาเก่งอ่ะเ<ม>ขาถูกเขาถูกไฟบังคำไม่ใ <laughs> ช่เขาถูกไฟบาอคโยมก็คิดว่าโยมคิดว่าทางเนี้ยเป็นทางสว่างสําหรับโยมแล้วโยมเดินทางนี้ดีกว่าเพราะว่าใจมันเบาและอย่างเราไม่เครียดเราไม่คิดเราเราไม่แบบว่าไม่โกรธไม่เคืองอะไรใครเมื่อก่อนนี้เลยเหมือนอย่างน้องคนนั้นพูดอ่ะ วลาใครมาพูดหน่อยเราจะวิตสัยแต่เดี๋ยวนี้อย่าใจเย็นลงเยอะฟ hmm. ังได้ผ่านได้อะไรงนี้ได้เราก็เลยและอย่างคือมันมันเหมือนกับเราเป็นนักเรียนของพระอาจารย์แล้วค่ะ hmm. คือนาให้เรารู้สึกว่าเราตื่นรู้เราตื่นตัวแล้วแบบเวลายมสวจมนุ่เยอะๆเนี่ยหรือนั่งสมาธิทั้งวันนี่นะพระอาจารย์ยมรู้สึกเลยว่า วันหนึ่งมันไม่น่าจะมี24ชั่วโมงมันน่าจะมีมากกว่านี้มันมันเร็วอ่ะเวลามันจะผ่านไปเร็วมากอืค่การมาสองวันมันลงเงินเป็นวันเดียวเลยแค่สี่แปดชั่วโมงโอเคมีอะไรไว้ไม่ม uh, okay. ีนะไม่มีค่ะแต่มาถวายบุญกับพระอาจารย์และมาสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงกลาวขอพระคุณพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะอยาขอให้สุขให้เจริญ ให้เราให้รวยขึ้นไปเรื่อยๆนะจ้าสาธุจ้าอ่าวันนี้คนยศสวัสดีเดือนอยู่ที่ไหนกรุงเทพเลยเป็นยศสวัสดีก่อนนักการจ้าอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์คะอืมมีอะไรไหมวันนี้วันนี้มาที่ก่อนขอธรรมะคลุมคลองใจที่ว่าไม่ให้ไม่ให้อยากได้เหมือนคนอื่นเขาค่ะก็<ม>ก็ไปฝึกค่ะพระอาจารย์<ม>วันนี้มาขอ ขอทำมาคุ้มครองใจในกรณีที่มันก็ไม่ใช่หนูคนเดียวนะคะพระอาจารย์เวลาเราคุยกันในหมู่เพื่อนอย่างนี้นะคะ่ะแล้วทีนี้เราคุยกันถึงคนที่เขาทาไม่ดีกับเราแล้วเขา<ม>ได้ดีอะคะ่ะพระอาจารย์<ม>คือหนูมองว่าปกติแล้วเวลาเราเห็นใครได้ดีเราก็มีความยินดีกับเขา<ม>แต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่เคยทําไม่ดีกับเราะคะ่ะพระอาจารย์เราก็ไม่ได้ยินดีหรอกคะ่ะแต่ว่ามันก็ทําให้ใจเราหมองได้ด้วย ก็เลยจะมากราบขอธรรมะคิดยังไงให้ออกมาจากตรงนั้นได้ถ้าเกิดสำหรับหนูอะค่ะพระอาจารย์เคยสอนเรื่องว่ามองในสิ่งที่เราเหมือนเขาเขาเหมือนเราเช่นความถูกเขาก็เหมือนเราเหมือนกันอันเนี้ยหนูรอดค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเวลาพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มหนูหนูควรจะมีคำอะไรที่เอาไปสำหรับเออแนะนาเพื่อนให้แนะนาตัวเองด้วยค่ะให้รอดพ้นจากความรู้สึกหมองใจหมองเพียงเพราะ คนที่เขาเคยทำร้ายเราได้ดีค่ะค่ะอาจารย์เราก็ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องบุญกรรมของเขาเอย่างเวลาที่เขาจะรับผลบุญของเขามันเขาก็ได้เดบได้ดีอยงเวลาที่เขาจะรับกรรมของเขาก็เหมือนเด็กเด็กที่ต้องสามขวดมันต้องมารับกรรมตั้งแต่ตอนเด็กสามขวดเนี่ยเราก็ต้องทําวางใจเฉยๆไปไม่ต้องไปดีใจไปเสียใจกับเขาไปอืมค่ะโอเบงขา ถ้าเรามูนิตาไม่ได้ไม่ชินชมยินดีไม่ได้เราก็ใช้อุเบกขาถ้าเราใช้มูนิตาได้ก็ใช้มูลิตาไปใช่ค่ะพระอาจารย์บางทีบางทีก่อนคนที่เราลักเขาเป็นอะไรไปแล้วก็ต้องเราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องใช้อุเบกขาเหมือนกันแล้วเราคิดว่าเป็นเรื่องบุญกรรมของเขาไปค่ะพอาจารย์สัตว์ทัางหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไว้ ว่าจะบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นมองอย่างนี้ไปเวลาเขาสุขก็เป็นเรื่องของเวลาที่เขาได้รับผลบุญอยูขอ่ของเขาไปเวลาเขาทุกก็แสดงว่าเขาต้องรับผลบาปของเขาไปเราข้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้กฎธรรมมันเป็นกฎของธรรมชาติค่ะพระอาจารย์เข้ า, เาใจไหมพอใจาเข้าใจค่ะเราทําใจให้สบายได้ไหมอย่างนี้ ได้ค่ะพอคิดตามว่าก็เขาทํำของเขามาเขาก็ต้องรับใช่ค่ะเขาทำของเขามาแล้วเราจะมองไม่เห็นก็ได้ว่าเขาทําความดีกันเราจะไปเห็นใช่เขาในช่วงนี้เขาทําไม่ดีแล้วเขากลับได้ดีอันนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้เขาทาดีเรามองไม่เห็นแล้วช่วงของของกรรมเดียวขามันมาส่งผลตอนที่เขามาทําสิ่งที่ไม่ดีต่อหน้าเรามันก็เลยทําให้เราสรับสนได้ ดีเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะ ข, ขอบพระคุณจ้ะค่ะพระอาจารย์โอเคพระบุญกรรมของแต่ละคนนี่มันมันส่งผลเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้อืบุญกรรมที่ทํามางานอาดีตมันจะมาส่งผลตอนไหนเราก็ไม่รู้กันเะอย่ยอยาไปเชื่อมอย่าไปเชื่อมกับการกระทําของเขาที่ในปัจจุบันทึ่มันอาจจะเป็นไม่ใช่เป็นเหตุที่ทําให้เขาได้ดิบได้ดีหรือให้เขาได้ทุกเนี่ยอืม มันจะนอาจจะเป็นกินจกรรมในอดีตที่เราไม่รู้มาก่อนที่เราไม่เห็นมาก่อนก็ได้ค่ะค่ะอาจารย์ยังช่วยเฉยๆไปเขาได้ดีไม่ดีก็เรื่องของเขาก็ทุกข์ก็เรื่องของเขาไปไม่เกี่ยวเราซะหน่อยใช่ไหมค่ะไม่แกล่ะ เ, เรื่องของตัวเองก็เยอะแล้วค่ะ ด, คดูแลตัวเราดีกว่าดูแลทํางให้ใจเราไม่ทุกข์ดีกว่า ใช่ค่ะพ่ะอาจารย์ค่ะขอบอคุณนะคะพ่ะอาจารย์อ่าสาธุไปที่สเปนคุณพัทรพรกับเรียเรวารกกลับไปเรียนเเปิดเปิดกลางเดือนเลยครับเปิดกลางเดือ น, นเรียนที่ไหนดังนีน้เรียนที่อลอนดอนลอนดอนครับที่ Westminster London เบสต์ <London University. S 2> อ๋ออย่านีม่ใชเรียนเวสต์มินสเตอร์เรียนวิศวะหรือเรียนอ่าบิสเนสแมจเมนต์ครับไายจะจบเมื่อไปีสองะครับปีหน้าล้องอก็เรียนแค่สามปีนะปริญญาตรีได้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คณะครับแต่แต่ของเรื่องจบมีอะไรไหมคุณแม่ไปสัก5้าหลงข้อ อ่าลูกมีคําถามจ้คะคะการปฏิบัติเพื่อให้เป็นมปะมัช ม, มาปฏิปทานก็คือการปฏิบัติแบบไหนจ้คะคะก็การแบบคู่ต่อสู้ของเราไงถ้ากิเลสมาแรงเราก็ต้องแรงกลับไปมันเราถึงจะชนะมันได้ถ้ากิเลสมาเบาเราก็เบาเบาเบาไปได้ก็อยู่ที่กิเลสของเรามันหนักหรือมันเบามันถิามาตามน้งตาทั้นพูดตามคู่ต่อสู้ของเรา ถ้ามันมาแรงเราก็ต้องไปแรงเนี้ยมันถึงจะพอพอสู้กันได้ถ้ามันมันมาแรงเราไปเบาเราก็สู้กันไม่ได้ถ้ามันมาเบาเราไปแรงเราก็เดือเราก็ใช้แรงมากเกินไปไม่จําเป็นจะต้องใช้แรงขนาดนั้นนะฮะพอเหมาะกับกิเลสของเราวิาชิมาตามตามการแปลของการปฏิบัตินะแต่ถ้าแปลตามตามประสูนุนี้ท่านพุทธเจ้าบอกว่าคนเราหาวิธีดับความทุกข์สุดตรงสองวิธี คือหาความดับความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขเช่นจัดการเลี่ยงปีใหม่ท่องเที่ยวที่นั่นที่นี่หาความสุขเพื่อดับความทุกข์แต่เราไม่ดับหรอกเดี๋ยวพอกลับมาจากท่องเที่ยวมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายมันก็ทุกข์ขึ้นหน่อยอีกทางนึ่งก็สุดตรน อ, อีกทางก็การดับความทุกข์ด้วยการทรมานร่างกายของตัวเองเนี่ยพอนุอสีชีภัยนั่งบนที่นั่งที่มีน้ำอะไรให้มันเจ็บหรือเอามีดเอของแหลมของคมมาทิ่มแทงให้ให ให้ร่างกายมันเจ็บแล้วจะทําให้ความทุกข์ใจหายไปมันก็ไม่หายพระเจ้าบอกทางสายการก็คือทางวัชิมาปฏิปทาคือมรรคแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรไปจนถึงสมาสมาธิสรุปลงก็คือสิงสมาธิปัญญาเนี่ยคือทางสายการเจ้าค่ะสจาค่ะหลวงพ่อก็ก็คือหลวงพ่อจ้าค่ถ้าอย่างอย่างลูกอ่าตอนนี้สุขภาพไม่ไม่ดีอย่างเงี้ยบางทีแบบ เพราว่า ม, มีปัญหาเรื่องกระดูกไขสันลังทับเส้นแล้วบางทีลูกก็จะนั่งนานๆไม่ได้แต่ว่าลูกก็จะฝืนนั่งแบบอย่างนี้นค่ะมันก็ทำเท่าที่เราทําได้เหมือนรถยนต์เนะี่ยรถยนต์ถ้ามันมันยางแตกมันมันก็วิ่งวิ่งแล้วไปเร็วไม่ได้นะมันก็ต้องก็ต้องวิ่งไปตามตามอัตราภาพตามกําลังของมันนั่นากายของเรา แต่ใจของเราเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับร่างการเราสามารถใช้สติได้ทุกในเรีาบบทฝึกสติไปเลยเวลานั่งไม่ได้ก็นอนนอนฝึกสติไปก็ได้เปลี่ยนเรียบบทได้หรือว่าถ้านั่งนั่งแล้วเจ็บอยากจะพิจารณาด้วยปัญญาก็พิจารณาความเจ็บนี่เห็นว่ามันเป็นตายลากไปก็ได้คอันนี้ก็มาที่มองมองกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้น ถ้ามันเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาตามร่างกายก็พิจารณาว่ามันเป็นตายรากเวทนามันเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไป็นอันนี้จ้าอนาตตาห้ามมันไม่ได้เวทามันจะมาก็ห้ามันไม่ได้จะไล่มันไปมันก็ไม่ไปก็ต้องทำใจให้อยู่กับมันให้ได้อันนี้ก็เป็นการปฏิบัติแบบมัชฌิมาเหมาะกับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนั้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่ออาบสาทุกท่าน เข้าใจไหมอย่าไปปฏิบัติตามความอยากนี่ตามความอยากมันก็อาจจะทาให้เราเครียดขึ้นมาได้เพราะเราทําตามความอยากไม่ได้คนหนึ่งเขานั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงเรานั่งไม่ได้เราอยากไปนั่งอยเกขางมันก็นั่งไม่ได้ใช่คะหลวงพ่อเพราะว่าเมื่อก่อนลูกจะเป็นคนที่แบบบางทีรุ่นน้องบอกโอ๊ยพี่หนูสู้พี่ไม่ได้แบบบางทีลูกอยู่ได้สาวันอะไรอย่างเงี้ย หนูหนูยอมแพ้หนูอดนอนอย่างพี่ไม่ได้ลูกอยู่สๆลูกจะมีลิมิตแบบอยู่ได้สามวันสามคืนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ลูกไม่ได้ใช่ <จะ S 2> แต่แลคะคนมันก็มีมัชฌิมาที่ไม่เหมือนกันไงเราก็ทําตามมัชฌิมาของเราไปทำตามวังของเราไปเชียวค่ะกลับสาธุเจ้าพระงองคอกลับสวัสดีเองเจ้ของพ่อด้วยเจ้าค่ะโอเคสาธุแรงๆเจ้าค่ะบ๊ายบายเจ้า เดียวไว้เจอกันใหม่นะมาเมืองไทยเ ม, ม, มื่อไหร่ก็แวามาหานะมีคำถามการสวดมนต์ครับเช่นอย่างสมมติบทธรรมจักอย่างเงี้ยครับเราการสวดมนต์อย่างเงี้ย เ, เร า, า, เ, ราเรานำไปปรับในชีวิตยังไงครับในเมื่อบทความก็ไม่ได้ลิ <Link S 1> งค์ถูกเราต้องเข้าใจความหมาย เราก็ต้องแปลไปอ่านไปสวนบทที่เป็นภาษาอังกฤษดูสิเราจะได้เขาเ้าใจว่าพุทธเจ้าสอนวิธีการดําเนินชีวิตที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราทําอย่างไรต้องต้องไปอ่านคําแปลดูหรือสวดคําแปลเลยก็ไนดะ้ทำไมที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆแล้วก็สวดคําแปลเป็นภาษาอังกฤษไปเลยสวดไปก็เหมือนกับไปการนั่งสมาธิไปด้วยได้น้อง ได้ไสองได้สองประโยชน์ประโยชน์แรกก็คือเป็นการฝึกนั่งสมาธิในการใช้การสวดมนต์ประโยชน์ที่สก็คือเข้าใจความหมายของคําสอนของคำที่เราสวดแล้วก็เอามันใช้ในการปฏิบัติดําเนินชีวิตให้ไปในทิศทางที่ที่สงบที่มีความสุขได้ยังต้องต้องต้องต้องสวดเป็นภาษาอังกฤษนะ หรือเป็นภาษาไทยก็ได้ถ้าเขาแปลเป็นภาษาไทยก็เสิร์ฟเป็นภาษาไทยก็แล้วแต่จะจะถนัดภาษาไหนภาษาไทยนี่อาจจะยุ่งยากนิดหน่อยเพราะเป็นมันจะมีราชาศัพท์เยอะเราก็อาจจะไม่เข้าใจราชาศัพท์บก็คือเวลาเราสวดมนต์ก็พยายามก็จะบิดความนั้นนำมาปรับในชีวิตใช่ไหมครับเอาคําสอนน<บ>ั้นมาใช้ในชีวิตของเรา หลวงพ่อเจ้าบอกว่าให้เรามีสมาสติให้เรามี ส, มสติแล้วเรื่อยรู้อยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจเราลอยไปตามความคิดกันกๆใหอยู่กับพุทธคุณพุทธเจงาไื่อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ฝึกสติให้ทำอะไรให้มีสติครับอืแต่ก็การสึ ม, มันก็เป็นการเหมือนฝึกสมาธิภายในตัวด้วยใช่ไหมครับใช่เราส่วนมันไปก็ทําให้เรา ใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นรื น, นี้ก็ทําให้ใจเราเย็นลงสงบลงได้แต่อาจจะไม่สงบแบบเต็มที่ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ก็ต้องดูลมหายใจต่อหลังจากส่วนลมเสร็จแล้วก็ดูลมหายใจต่อมอยากพูดเรื่องครับขอบคุณค่ะมาก็่ะขอบคุณหลวงตาค่ะลอง เ, เราเราไปอ่านคำแปลธรรมาจากักรเนี่ยจะรู้พระเจ้ า, าสอนให้เร า, ารักษาศีล ไม่ฆ่ า, าสัต์ไปรักทรัพของพู้ไม่มพดมูดผิดประเพณีไม่เดือดรุ่ายาเมาเนี่ยไม่พูดปลดโอเค okay. ครับแล้วอย่างข อ, ขออนุญาตอย่นี้นะครับแล้วยังบทภาหง ม, มหาการเงี้ยครับเป็นเะกี่ยวบบทภาหง ม, มหาการอ่าเ<ม>นี่ยมั น, ม, นมันก็เราต้องดูความหมายของมันมันมันมีอะไรบ้าง บางทีผู้จ้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวมากกวือนเป็นเรื่องราวมากกว่ามากกว่าก็เรื่องราวก็เราเรามาเราเราม า, มาอ่านดูแล้วดูซิว่าเราเอามาใช้กับชีวิตของเราได้หรือไม่เข้าใจนะครับคาสอนผู้เจ้าทุกคำสอนนี้สอนเพื่อให้เรานําออกไปปฏิบัติกับชีวิตของเราครับเข้าใจนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ อไปที่อาจารย์สายทิพย์อันนี้กลับมาอยู่คุ้แก่นนะอาจารย์ไม่ไปมหาส า, ารคามก่นอนนะอาการพระอาจารย์โตค่ะเสร็จงานก็ขับรถกลับมาค่ะไม่ขับรถอีกแล้วหนูอะไรนะคะพระอาจารย์ส่วนใหญ่ไปเช้าเย็นกลับนะน เ, เฉพาะวันพุธหนูจะกลับมาอยู่บ้านค่ ะ, ะสลับเป็นกับพี่สาวเผื่อตอนเช้าดูแลคุณพอ่อทําอาหารอะไรเงี้ยค่ะ สลับเป็นกันพี่จะได้ไม่เหนื่อยค่ะพระอาจารย์ค่ะดีช่วยกันแบ่งเัาแย่งบุญแบ่งบุญกันแบ่งบุญกันคุณพ่อเป็นผ้าะหารของลูกๆนะเพ่ได้ทำบุญกับผ้าละหันนะหมอค่ะแซวคุณพ่ออยู่ค่ะว่าเนี่ยหนูได้ทำบุญกับพระอรหันต์เรื่อยเยแต่ก็แกล้งคุณพ่อว่าหันไปหันมาอ่ก็ตอนนี้ ตืนนอนตอนเชา้าจะท่องคาถาของตัวเองค่ะพระอาจารย์วัตถุไม่เอาสุขไม่เอารู้แล้ววางเพื<ม>่อที่จะได้คอยเตือนตัวเองค่ะพระอาจารย์<ม><ม>แล้วพอมันเหมือนจะเจออะไรที่เราน่าจะไม่พอใจมันก็แบบมันอาถ้าคิดต่อเหมันเหมือนมันรู้ค่ะพระอาจารย์ว่าถ้าถ้าเราคิดต่อเราจะต้องไม่พอใจแต่ถ้าเราแค่หยุดตรงเนี้ยก็จบก็ก็จะเหมือนค่ะศักแต่ว่ารู้ไงผู้จะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินนอนสักแต่วันได้ยิน ค่ะเหมือนมืนบางอันมันก็รู้ปุ๊บก็วางแต่บางอันถ้ารู้แล้วยังเหมือนเหมือนแบบเหมือนจะมีแบบมุดหงิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็จะพุโทโธสู้แล้วก็ทิ้งมันไว้ก่อนแล้วค่อยพอพุโทโธแล้วก็ค่อยมันโผล่ามาใหม่ก็ค่อยมาคิดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ใช่สองอย่างเนี่ยสติหรือปัญญาเป็นวิธีแก้ปัญหาใจค่ะคิดว่าเดี๋ยว เขาก็ตายเราก็ตายปัญหานี้ที่มันขึ้นตรงนี้มันก็สลายหายไปอะไรเง igail, ี้ยค่ะพระอาจารย์ูกอมันก็ค่ะมันก็หายไปก็ก็ทุกน้อยลงอีกค่ะพระอาจารย์ได้มากค่ะเราคิดว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆสมาธิก็ยังทําต่อเนื่องค่ะพระอาจารย์อสมาธิก็ต้องทําทําให้ใจเย็นทำให้ใจสุขค่ะและเวลาใจทุกข์ก็ใช้สติใช้ปัญญาดับมันไปค่ะ สลับ okay. สลับกันถ้าปัญญาไม่ข so ึ้นก vet okay ็พุทโธอิติปิโสอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะนี่คือที่พึ่งของเราธัรมสารังกะชามินะค่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์คิดว่าจะปฏิบัติแล้วก็สอนใจไปเรื่อยๆค่ะ ใช่ให้มากขึ้นไปเรื่ อ, ๆนะอยๆยยวไปเรื่อยๆตอ น, นมากขึ้นถ้ามากขึ้นกว่า น, นี้คือคือสินที่มากขึ้นด้วยใช่ไ้มคะพระอาจารย์้องอย่างมากขึ้นผมสั้นลงก็แล้วกันแต่ผมสั้นลงแต่ยังยาวมากขึ้น <laughs> ผมสั้นนี่หนูมันต้องไปร้านตัดผมบ่อยหนูเลยกล่ว่ายาวแล้วก็ก็ม้วนเก็บค่ะพระอาจารย์ถุดกิเลสเราเนี่ย ก, ก, ก็โกนไปเรื่อยๆใชงไหมันต้องไปบ่อยนะ โนเก่งใจคณะค่ะเขาจะเขาจะว่าหนูประหลาดยังยังไม่ไม่ไม่ไม่กล้าโกนค่ะพระอาจารย์ก็ไปบ่อยก็ไม่เป็นไรมันมันเป็นข้ออ้างเฉยๆผู้ชายเขาก็ผู้ชายก็มาล่าตัดผมยืดเรื่อยๆเขาก็มาการเปลืองตังค่ะพระอาจารย์เปลืองตังแค่นี้หมเปลืองเสียดายงินแค่นี้ไมนเสียดายกิเลสไม่เสียดายความรักสวยร่างามเลยยังรักสวยรักงามอยู่ อืมค่ะยังง<อ>ูไหมกันยังงูไห่กั้างยังงูไมกาการ322อยู่นะแอบอึกอากเล็กน้อยค่ะพระอาจารย์อาการนี้มันก็แค่อาการ322กำลังมองไม่เห็นนะอืมค่ะพระอาจารย์ยังไม่ยังไม่กล้ารับปากค่ะพระอาจารย์เพราะว่า พอผมมันพอตอนผมสั้นแล้วมันก็ปุกบหนึ่งก็ยาวปุกบหนึ่งก็ยาวแล้วก็ยาวก็ตัดเส้นยาวก็ตัดเยอนนี่ ก, นก็ตัดหนนิงก็ได้อ๋อค่ะค่ะบเบา <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยอาจจะนิดหน่อยคระบ อ, อาจารย์แต่อาจจะไม่ยังไม่ตัดสั้นเท่าเดิมค่ะอ่าเป็นไงก็ถอดถอยเอาสิถ้าไม่เท่าไม่เท่าแนววัสดาเปลี่ยนมันมากขึ้นละสงสัยจะถอยอ่ะถอยมาทางสวย <laughs> <laughs> ค่ะพ่อไม่ไม่ดูสุภาพเลยเป็นดูสุภาอยู่เรื่อยๆตอนนี้ตอนนี้น่าจะเลกดูอสุภาไปหน่อยหนอยค่ะแต่ว่าตอนเห็นเห็นคนก็เห็นเป็นกล้ามเนื้อเป็นแขนเป็นขาอยู่นะคะพ่อจางก็ต้องเห็นเราด้วยไม่เห็นขาอย่างเดียวเห็นทั้งเขาเห็นทั้งเราแี่กิเลมันชอบหลอกเราเลยชอบเราให้มอมคนอื่นแต่ไม่มองตัวเองค่ะ เย่แล้วค่ะพระอาจารย์อพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณากายเขาก็กายเราแล้วก็ทั้งกายเขาทั้งกายเราค่ะอย่าตัดค่ะพระอาจารย์อันนี้ไม่ว่างกรับเราพูดเป็นตอนธรรมะไปให้คิดให้คิดเอาเองก็แล้วกันถ้าไม่อยากจะตัดก็ไม่ว่าเลยค่ะค่ะ จจะพยายามปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุจสาธุค่ะขอบคุณตายพระเถียาผอมกล่าวบนมาสการนะคะพระอาจารย์ออก็เมื่อกี้ฟังหนูก็แอ บ, บอมยิ้มว่าให้ดูกายเขาแล้วก็กายเราเออหนูไปดูกายเพื่อนเพื่อนเขาดูแก่หนูก็รู้สึกเป็นทุกข์เลยพระอาจารย์ตายแล้ว แทนที่หนูจะแบบว่าออปล่อยวางกลายไป็ว่าหนูไม่อยากแก่ทํำไมเราแก่ใช่ค่ะคี่จแง่ป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะไม่อยากแก่ไม่เห็นตายนักไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาโอตอนแรกหนูคิดว่าหนูผ่านพ้นไปแล้วนะว่าเออหนูไม่เอากายแบบว่าไม่เป็นไรแก่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ทุกข์หนูไม่เจอาเพื่อนหนูแก่หนูก็มองเพื่อนหนูเอ้าตายแล้ว ใจหนูกับเป็นทุกข์ขึ้นมาเลยว่าตายนะเราแห่ ม, มากขนาด น, นี้ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นบัญญามันเป็นสัญญาจํจาได้แล้วก็ลืมอหนูก็เลยว่าตอนแรกหนูไปอ่าสี่วันนะสี่วันหนูว่าอุยตายแล้วใจเริ่มตะเลิดแล้วตอนแรกๆมันก็น่าสมาธิหนูก็นูน่นนี่น่าขนุนอ่าตอนหลังมาใจหนูไปตะเลิดโอย โ้คนีที่หนูยังได้กลับมาแล้วหรืออะไรเออเข้าเข้าทางเหมืนเดิมด้วยกัแต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะพระอาจารย์ไปที่บนดอยก็กลับมปอย่บ้านเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงพี่สาวเลี้ยงอยู่กับหลานๆอยู่กับเพื่อนที่บ้านไม่ได้ออกไปสังสรรค์ที่ไหนเท่าไหร่ออยู่ที่บ้านก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์หนูกล้บต่อไปสู้ต่อไปดูว่าเราแพ้มันกี่อ่ มันมันเก่งกันเราขนาดไหนน้าดอกเราได้เรื่อยๆแต่หนูก็ชนะนะคะเรื่องว่าแดื่องเรื่องเลาของหน้องขานหนูก็ฉันเขาฉลองเขานั่งไปหนูก็อ่อไม่ไม่พึ ง, ง, ง, งคำพยาจารยว่าถ้าเขาไม่ได้เอาเล่ามากรอบปากให้เรากินท่านหนอยเราไปโยกของเราเองอหนูก็เออหันหนูก็หนูก็นั่งกับเขาได้ทั้งคืนนะคะว่า S <S เออเราก็ไม่กินแล้วก็คุยกับเขารู้เรื่องนะแล้วเราก็เตือนมาก็ไม่เปิดหัวเต็มแล้วก็มีแรงถึงจะนอนดึกไปหน่แต่ก็ยังมีแรงอยู่ดงันก็เปดิดหัวเล่าเนี่ยป็นยาพิษแ ท, แท้แต่เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นยาพิษกันขมก็ขมใช่หไหมกินเข้าไปแล้วลลก็เกบดโรคภัยตั้งไข้เจ็บทางร่างกายนะโกกะรคกระเพาะโรคตาโรคไตยังกินกันได้อืทล่าเลอง้อกันวะ แล้วเป็นของแพงด้วยควนดนี้แพงกว่าน้ําน้ําสะอาดกี่เท่าฮะค่ะเพื่อนบอกว่าเอ้ยเลิ ก, เ ล, กเลิกจริงหรออะไรเงรี้ยแล้วเราจะได้จะได้มาอยู่ด้วยกันอีกไหมจะได้มาเจอกันอีกไหไกไแล้วก็บอกว่าเอาก็าถ้าถ้ามาก็ได้เจอถ้าถ้าจะให้เราไปหาแล้วก็ไม่ไปแต่ถ้ามาเราก็เจอเราที่นี่ ท, นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ย้ากันได้แต่ก็ไม่ต้องทําตามกันทั้งนั้น คุณดื่มน่าก็ดื่มไปแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าไปดื่มน้ำส้มไปแล้วก็าแฝงหนูนทั้งคืนเลยเดีวก็ว่าไม่เป็นไรหรอกก็ก็นั่งเนียก็นั่งได้ก็คุยกันรู้เรื่องเราผ่านนะตอนนีท้ทดสอบจิตใจทดสอบจิตใจไปเลยตัวใช่ค่ะผ่านเรียบร้อยพะอาจารย์ก็อย่าประมาทนะวันนี้ึ้นนี้เนี่ยมันเกิดอารมณ์อยากเปรี้ยวปากขึ้นมากินเหลมมันง่าย บางทีมันหลอกให้เราคิดว่าเรียบร้อยแนละ้วมันจะตายแน่ๆพอเราเผลอก็ปั้มันตลบหลังเลย <c oughs> อลยก็พยายามไม่ไปบ่อยค่ะพระอาจารย์ไม่พยายามไม่ไปไม่ไปนานเดี๋ยวเกิดมีเรื่องเศร้าใจขึ้นมาอยไม่จะทํางไงกินเหล้านีกวดับความเศร้าใจเออเนอะพระอาจารย์เนอะต้องระวังนะอันนี้เราไม่เศร้ามันก็ไ ม, ม, ไม่มันก็ไม่คิดถึงมัน่ะ การมันมนเศร้าขึ้นมามันไม่รู้จะหาวิธีดับความเศร้าไงมั้งอะกินเทนหน่อยมั้งเป็นยาเยอเป็นยาหลอกเล่าอีกเนาะเราต้องทันมันแล้วจะทัน <c oughs> เราจะทันมันตลอดแต่ก็ต้องมีสติใช่ไหมค <c oughs> ะอาจารย์ใช่ก็มีสติถ้าเศร้าก็บอกมันเกิดจากความไม่สงบของใจเกิดจากความอยากแล้วก็ไปหยุดใจหยุดความสงบหยุดหยุดความอยากอไม่ใช่ไป ไม่ใช่ไปเดินทุลาเพื่อดับความความเศร้ามไม่มันดับแบบชั่วคราวมไม่หายไ ม, ไม่เหมือนกับการทําใจให้สงบหรือหยุดความอยากของเราแล้วก็มีเรื่องที่โยมเคยเคยบอกพระอาจารย์ว่าหนูโยมเศร้าเรื่องลูกอะค่ะโยมมันก็มานั่งคิดพิจารณาแล้วว่าเออลูกก็เป็นของเ้า อ, อย่างนี้เหมือนพระอาจารย์ว่าเ้าก็เป็นของเา อ, อย่างนี้แล้วก็ต้องลดความอยาก ปีนี่โยมก็เลยบอกว่าบอกตัวเองว่าเออเราจะลดความอยากลงเราจะต้องปรับปรุงที่ตัวเองปรับปรุงที่ใจตัวเองไม่ต้องไปอยากกับรูปเยอะเราจะได้ไม่ไม่เศร้าใจไม่เสียใจก็มีอะไรแล้วก็คุยกับเขาไปไม่ไม่ไม่คิดไปเองแล้วก็ไม่ไม่คาดหวังอะไรกับเขาเยอะเราจะได้ไม่เสียใจเขาเป็น่อมอย่าไปอยากให้เขาเป็นไตงโมงนี่ค่ะก็เป็นอะไรก็เล่าไปก็เป็นไป ถ้าสอนได้บอกได้ก็บอกไปถ้าบอกบอกแล้วเขาไม่เชื่อก็ช่วยอะไรไม่ได้ค่ะนั่นแะค่ะอันนี้จะเป็นทางที่หนูจะปฏิบัติ<ม>ทั้งนึงว่าจะปรับปรุงที่ตัวเองอันนี้ก็ไม่มีอะไรละค่ะพระอาจารย์สาธุจ่าแค่นี้ก่อนนะไปที่พังงานแนละ้วคืนรุตุอยู่พังงานแล้วอยู่พันใหญ่ อ่อตอนนี้อยู่หัดใหญ่เตรียมจะย้ายกลับทางงานวันเสาร์ค่ะเรียบร้อยแล้วแหละกีโมค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีแค่มาเช็คอัพทุกๆสามเดือนค่ะพระอาจารย์อืมก็ผลจะเป็นงไงก็อย่าไปตกใจนะมันยังไงก็ต้องรับมันให้ได้ค่ะพระอาจารย์ก็เตรียมพร้อมค่ะอย่าไปทุกข์กับมันเพราะเราห้ามมันไม่ได้มันมชับเลยค่ะก็ก็ถ้าถ้าเป็นลิงเหมือนที่พระอาจารย์สอนค่ะก็ S <S ก็คือหนูไม่ได้ดีใจว่ามันหายนะคะแต่แค่ว่าเราได้กลับมาใช้ชีวิตแต่ถ้ามันจะเป็นอีกก็ไม่ได้เสียใจนะค่ะก็ก็มาโรงพยาบาลก็มีความสุขดีค่ะพระอาจารย์ <S 2> <S 2> ของกินอร่อยถ้าไม่หวังอะไรก็โอเคอย่าไปห ว, วังค่ะไม่หวังค่ะแล้วก็หนูจะถามพระอาจารย์นะคะเรื่องเอของอุบาสิการในการปฏิบัติธรรมค่ะก็ในเรื่องของของผมมหาพระอาจารย์ มีผลต่อการปฏิบัติไหมคะเหมือนหนูไปที่อริยคานะคะเห็นอุบาสิกากีนานายจนนะคะ่ะท่านกอค่ะ<ม>ก็คือท่านไม่ได้บวชเป็นแม่ชีแต่ท่านก็โกนผมแสดงว่าผมมีผลต่อการปฏิบัติไหมคะพระอาจารย์มันก็มันก็เป็นการแสดงให้เราเห็นว่าเราเห็นร่างกายว่ามันไม่สวยไม่งามเหมือนถ้าเราไปพยายามรักษาผมก็แสดงเราไม่ยังที่ว่าร่างกายของเราสวยงามอยู่ มันก็อย่างน้องน้องน้องอยู่กับความสวยงานของร่างกายอ่าถ้ะโกนได้แสดงว่าเราไม่สนใจแล้วร่างา ก, กายเรื่องอย่างก็รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราไปต้องไปไปไปดูแลมันให้มันพิพิสดารทำไมเราคือใจก็เรามาดูใจเราดีกว่าไม่ดีกว่านะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเรากลักบไปดันไปนดูแลและคนรับใช้เราส่วนตัวเรากลับให้มาดูแลช่ก็ เรื่องอื่นหนูอาจจะยังไม่ได้หนูอาจจะพอจะตัดใจเรื่องก้นผมได้ค่ะพระอาจารย์ไม่ได้หวงสวยแต่เรื่องกินนี่ตอนนี้ควบคุมอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ต้องพิจารณาปะะปฏิกูลของอาหาร ด, ดูดูการเดินทางอาหารจากจานเข้าไปสู่ปากจากปากเข้าไปสู่ท้องจากท้อง อ, ออกมาทางตะวานันออกมาจากทางตาวาะวันถ้าเห็นเส้นทางการเดินของมันแล้วมันก็จะได้เหมือนกระทะ น, นั้นแหละนะ ก็ตอนนี้ควบคุมเรื่องกินอยู่ค่ะก็พยายามทานให้น้อยแล้วก็เป็นไปได้ก็คือก่อนเที่ยงแต่ถ้าบางทีเลท ก, ก็เหมือนที่พ่อาจันเคยพูดว่า<ม>ถ้าวันละมื้อก็สมมติว่าติดธุระก็อยากให้เกินสักบ่ายโมงบ่าสองประมาณประมาณนั้นได้ไหมคะพ่อจันได้ไดท้ที่เราที่เราทํานี้เพื่อลดการรับประทานอาหารให้มันน้อยลงที่เวลามันอาจจะปรับบ้างตามตามความเป็นจริงของเรา งเราตอนที่ยังไม่สะดวกใช่ไหมเราก็ต้องอาจจะเลื่อนหน่อยได้ไม่เป็นไรแต่ก็เป้าหมายก็คืออยากให้มันกินมากเกินไปเราอยารู้จักประมาณการบริโภคอาหาระจะได้ไม่จะได้ไม่เป็นนิวรนกินมากมันก็จะมาทำให้ห่วงเราเหานอนกินบ่อยก็จะทำให้เสียเวลาไม่มีเวลามาปฏิบัติอ่าพระอาจารย์ก็หนวไปวัดเจ็ดวันรอบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พ อ, อพอออกมาอยู่ข้างนอกรู้สึกว่า อยู่ที่วัดาานะคะมันอาจจะลำบากเรื่องร่างกายอะไรย่างเงี้ยแต่แต่ใจมันมีความสุขอะค่ะพอออกมาข้างนอกนี่ใจมันเริ่มชักไม่ค่อยนิ่งเท่าไหรอ่อะแต่ว่าร่างกายมันอาจจะสบายก็เลยตอนนี้ก็เลยเออ่วางแผนนะคะพระอาจารย์แล้วก็เตรียมพร้อมเหมือนที่พระอาจารย์บอกคือถ้าอยากจะปฏิบัติให้จนบรรลุต้องต้องวางแผนหนูก็เลยเริ่มวางแผนแล้วค่ะพระอาจารย์อวางแผนแล้วจะได้เดินตามเป้าหมายนะั้น ไ, ไม่ใช่มีการวางแผนแล้วก็ไม่รู้อ า, อา จ, จะทำอะไรต่อดีค่ะก็ทางลูกก็คือตัดได้ตัดนะคะเหมือนอะไรที่อยาก จ, จะทำเพิ่มเติมในเรื่องของธุรกิจก็คือก็กตัดทิ้งไปะคะ่ะทาเท่าที่จาเป็นก็พอได้ไปก็ไปไม่ได้ทาเพื่อเรื่องปากเรื่องท้องไปพออยู่ได้ก็พอ ค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้หนูเริ่มเห็นความสําคัญของการที่พระอาจารย์สอนเรื่องอาการสามสิบสองอะค่ะตอนแรกหนูไม่เข้าใจค่ะตอนหลังก็เริ่มเข้าใจแล้วอ๋อทําไมจะต้องจะต้องท่องอาการสามสิบสองนะคะเหมือนเวลาเกิดอะไรขึ้นพระอาจารย์บอกว่าให้แยกเป็นส่วนๆให้หมดเลยแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเรามันอยู่ตรงไหนอะไรยซึ่งซึ่งมันก็ไม่มีพอแยกแล้วอืมค่ะแล้วก็เราจะได้ไม่ไปทุกข์กับมัน ค่ะแล้วก็อีกเรื่องพระอาจารย์เรื่องบทสวดมนต์นะคะพอดีหนูแอบไปจุ๊บมาจะเป็นบทสวดร้อยกองค่ะของวัดยานอันนี้ถ้าหนูจะสวดแทนที่เป็นสวดบาลีได้ไหมคะพระอาจารย์ถ้าเป็นภาษาไทยเลยเป็นเป็นของวัดยานนะคะตอนที่ที่หนูไปหนูแอบขโมยอมันเป็นบทร้อยกองค่ะพระอาจารย์อยากจะสวดเป็นเป็นบทร้อยกองไปก็ได้มันก็เป็นเป็นการเป็นการเจริญสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่อง ค่ะเพราะมันแปลเป็นภาษาไทยอะค่ะจะได้เข้าใจความหตรงใดพระสามพูดอย่างนี้แหละสุดวิสุดอะไรใช่ไหมเออจะเป็นเอาสมมติว่าเหมือนเอ อ, เ, อ, อเดี๋ยวนะคะพระอาจารย์มันจะเป็นพระอาณ น, นเทระสนับมาว่าดังนี้สมัยหนึ่งพระชินสีประทับพนาลายัยอันนี้พระอานันตะลักคณาสูตรจะเป็นประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์มา เ, เป็นคำแปลแรกค่ะสมัยที่เราเริ่มปฏิบัติแล้วก็สวดคําแปลเป็นภาษาอังกฤษสติปัฏฐานสูตรค่ะ จะได้เข้าใจความหมายด้วยไงใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์หนูก็แอบบารีถ้าเสือบารีเราก็จะไม่เข้าใจความหมายใช่ค่ะใช่หนูแอบผิดศีลหนูแอบขโมยมาจากวัดนะพอดีหาไม่ได้แล้วค่ะนึอย่างไม่ดีต้องต้องแบบวินวินดีกว่าได้เลยได้แต่หนูไปตัดรูนะคะพระอาจารย์ได้ทั้งศีลได้ทั้งปัญญามนีจาปัญญาแต่ไปเสียศีลเนี่ยค่ะพระอาจารย์หนูผิดไปแล้วค่ะอ่านอะ <ทาง>ระมองของเล็กๆ น, น้อยๆอย่าไปประมาทนะเพราะมัน อ, นอาจจะการเของใหญ่ขึ้นมาได้ค่ะรอาจารย์ปกติไม่มีนะคะนี่ัยรักเล็กขโมยน้อยแต่พอดี<ทาง>เห็นหนังสือแล้วมันหายยากัะพระอาจารย์ใค่ะมีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์โอเค ส, สาธปฏิบัติบูชาค่ะ่าธิตปณิสาเอนนิสา กลับนมรสการค่ะคะอาจารย์เครื่องมันทําให้เราหมดเลยเพื่องเพ่งแต่กดกดต่อไปบูรคุณทางต่อไปบูรบุณหาคิดในใจไม่ได้นะไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ต้องกดกดเครื่องค่ะคะอาจารย์คะอาจารย์ตอนวันปีใหม่พระอาจารย์อ่บินทบาทคนเยอะมากเลยนะคะลูกดูถ่ายทอดเยอะพันหกร้อยหนึ่งพันห้าร้อยเยอะเยอะกว่าปีที่แล้วใช่ไหมคะเยอะเยอะสูงสุดนับตั้งแต่ เป็นเป็นประวัติการเป็นปนิวไฮนิวไฮปีหน้าก็คงจะเยอะอีกอะค่ะอาจารย์ก็ <c oughs> ไม่แน่มันมีอาจจะมีอะไรแต่ก็มีปัญหานิดหน่อยคนเยอะมันทําให้รถติดก็ชาวบ้านคนที่เขาเดืนร้านเข้ามาบนไปบวนอยง<อ>นายยกนายยกเทศบาลเออหรอคะค่ะอาจารย์นายยกเทศบาลได้ต้องลงมาตรวจตราดรูว่าจะต้องทําแก้ไขยังไงนลดการการจราจรเย็นวิธีหน่ อาจารย์ก็เหนื่อยเลยค่ะเราสบายโชคดีเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เดินนั่งอ๋อใช่ใช่ค่ะอาจารย์ถ้าเดินถ้าเดินถ้าเดินแบบมาขอนี่คงไม่ไหวคงไม่ไหวสองชั่วโมงสองชั่วโมงขอนจะเสร็รู้ว่าเกินนะคะเกินสองชั่วโมงกว่าค่ะอาจารย์อืก็เห็นแล้วก็ปรับใจฟูปรับเพร่มค่ะอาจารย์แต่คนส่วนใหญ่ก็มาคนคนส่วนใหญ่ก็มาจากที่อื่นนะคนพื้นที่ไม่มีมีไม่มากค่ะ คือแน่นๆ่นมากๆเลยค่ะแล้วพระอาจารย์ต้องหลังจากนั้นพระอาจารย์ยังต้องมาถ่ายรูปอีกค่ะค่ะถ้าเป็นรูรูของแบบเป็นลมแล้วค่ะใช่เอนไงก็ต้องใช่นอนคืออันอันนี้เป็นสเต็ปตอนจบทุกครั้งเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็มนันแบบก็มันมีมันมีไกด์อะ่ใครบอกว่าจะถ่ายรูปพระอาจารย์มาถ่ายได้ตอนนี้เข า, าเลยต้องแบบว่าสแตนบายตรงนั้นเป็นแบบเป็นทุกครั้งเลยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องไปยืนทันทีพอยืนเขาก็เข้ามากัน พอมีมีพ่อค้าเม่ค้าที่ขายของมินทบาทเขาเขาแนะนํำญาติโยมอออยากจะถ่ายรูปอาจารย์ถ่ายเอให้ท่านเสร็จช็นะแล้วไปไปถ่ายกับท่านได้เราก็เลยมากันค่ะขัวาจาไม่เป็นไรนะก็ขนมนี้เราก็คิดถึงสมัยก่อนเราเจอใครที่เราเราอยากอยากจะอยากจะรู้จักได้เจอเขาแล้วก็อยากจะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกข่้นมาค่ะหัวาจาร อ่ะดีค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์ผู้คนแบบเหมือนกับทุกคนมีพระอาจารย์มีเอฟซีมากขึ้นก็คือแสดงว่าทุกคนเข้าถึงธรรมะค่ะอาจารย์ได้ผลนะคะคก็มีหลายระดับเขาเข้าระดับทานก็มีระดับสิงก็มีระดับสมาธิปัญญาก็มีเนี่ยค่ะพระอาจารย์พวกเราในระดับสมาธิปัญญาเนี่ยเข้าห้องนี้ค่ะพระอาจารย์ลูกก็คิดปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีมี จิตส่งออกนอกเยอะค่ะค่ะารพอดีแบบมันเป็นเทศกาลก็มีคนเอาของมาให้อะไรเนี้ยค่ะแล้วลูกก็ต้องเอาของไปให้ก็ต้องมีช้อปปิ้งแต่ไม่ได้ของตัวเองนะคะคือช้อปปิ้งให้น้องคนที่เคยมีแบบบุญคุณกับเราอะไรเนี้ยค่ะอาจารย์มันก็เลยแบบเป็ะก็เป็นการถ่ายเมตตาให้ความสนแก่ผู้ ค่ะพรอาจารย์ถ้าเป็นบางบางคนที่เขาย้ายบลัอกไปแล้วก็ส่งไปทางเดี๋ยวนี้มันง่ายค่ะพรอาจารย์คลิกทีเดียวไปเลยค่ะพระอาจารย์ก็ต้องก็นึกถึงเขาก็ส่งให้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะพรอาจารย์ช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็ส่งให้สชื่อไ ป, ไปเลยค่ะส่งไปเลยค่ะแล้วก็บางทีคบค่ะก็คือเรานึกถึงตอนที่ เรามีร้านอะไรเงี้ยเขาก็ช่วยเหลือค่ะแล้วเขาก็มีลูกมีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยต้องส่งของไปให้เขาค่ะรอาจารย์ตันอยู่ต้องมาะตันอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วก็มีน้องที่เคยทําเขาก็มีลูกตอนนี้มีลูกกันหลายคนก็เลยต้องส่งส่วนใหญ่ซื้อของเป็นซื้อของให้เด็กอะค่ะอาจารย์ก็ไปคุยไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่กี่วันเองค่ะอาจารย์มีความแตกต่างระหว่างการมีสติกับเวลาไม่มีสติเป็นยังไง ค่ะครัอาจารย์แต่เราก็ลูกก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดแสดงว่าเราจะต้องฝึกเราจะต้องแสดงว่าเราสติเราหลุดเยอะมากแล้วเราก็รู้สึกเราต้องสร้างําความเพียรให้มากกว่านี้เพราะว่าคือลูกค่อนข้างจะเก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะถ้าเกิดต่อไปออลูกไปอยู่เมืองไทยแล้วลูกต้องไปเจอคนเยอะๆนี่เราจะสติถ้าเราฝึกไว้เลยฝึกให้มากๆเวลาเจอคนก็ต้องมีสติ คอยก็คือความคิดนะคิดเท้าที่จําเป็นจะต้องคิดผู้เจ้าที่จำเป็นจะต้องพูดไม่ใช่ปล่อยแบบเบรกแตกไปเลยคือคือรว้แบบไม่ค่อยคือออกไปก็ไม่ได้คุยอะไรมากมายอะแต่ว่ามันเหมือนมันมันกลับเวลาปกคือมันไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้คิดมากแต่ว่าทําไมเวลานั่งสมาธิมันกลับมาคิดเน่ยมันเหมือนมันมีสัญญาเข้ามามันตกค้างอยู่สัป็นสัญญาลมที่เราไปพูดไปคุยมาค่ะะอาจารย์ ก็เดี๋ยวจะกลับมาตั้งสติให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์โอเคขอให้พระอาจารย์ชาตุขันแข็งแรงนะคะกำลังตามาโบนี่ท่านไม่ให้ข้ากไปรับในบอนกระเพาะอย่างนี้ยช่ะเนี่ยลูกคิดถึงตอนที่พระอาจารย์บอกว่าจะต้องอยู่กับหลวงตาห้าปีลูกเข้าใจเลยค่ะว่าโอ้โหต้องห้าปีเราต้องเธอกลับมาย้อนถึงตัวเองเลยค่ะว่าเราต้องเก็บตัวให้มากขึ้นไ้ไม่ให้ทุกปีกันไม่ให้สังคมงั้น ค่ะพระอาจารย์จะพยายามค่ะพระอาจารย์โอเคทำต่อไปนะค่ะข อ, อสูอ้ขอ <า S 1> พระอาจารย์ขอให้พักแข่งแข็งแรงนะคะอ่าคุณฝนวันนี้ลูกชายนอนแล้วเหรอกลับมาเกาลค่ะพอาจารย์ตอนแรกก็เข้าไปนอนแล้วก็แล้วก็ยังออกมาโมวแหวนกับคุณแม่บอกว่าเมื่อไหร่หมามาจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะอยากให้หมมาไปนอนด้วยแต่ก็บอกว่าไม่ได้ต้องรองค่ะ แล้วก็ hmm. พอดีวันนี้คุณพ่อยังไม่ขึ้นไปทำงานต่างจังหวัดก็เลยให้ <Right. S 1> เขาดูแลลูกไปค่ะ hmm. ส่วนหนูก็ขอมาฟังธรรมวันนี้ได้ได้ฟังอะไรเยอะนานดีค่ะพระอาจารย์ hmm. แล้วก็แล้วก็ยังคงปฏิบตัติแล้วก็เดี๋ยวนี้ใช้วิธีอย่างที่เรียนพระอาจารย์เมื่อทีที่แล้วว่าเวลามีความทุกข์ทุก วันนี้ก็ก็ไปเปิดฟังธรรมะพระอาจารย์เกี่ยวที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการดูแลใจค่ะแล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยก็หลังจากออกจากสมาธิก็เจริญปัญญาต่อก็รู้สึกดีอค่ะใช้วิธีแก้ปัญหาแบบนี้ค่ะช่วงนี้ค่ะพระอาจารย์ดีดีใช้ได้ค่ะมาถูกทางถ้าเรายังไม่มีปรรัญญาเราก็อาศัยปัญญาของผู้อื่นไปก่อนค่ะก็ต้องฟังเพราะว่า คือใช้สติอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่อะค่ะพระอาจารย์ก็รู้เลยต่อให้คิดทางปัญญาแล้วก็ยังยังควบคุมใจให้ไม่ให้ทุกข์ไม่ได้ก็เลยต้องมานั่งสมาธิแล้วก็ฟังธรรมะที่พระอาจารย์เนแล้วตอนพอพอฟังเรื่องที่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยเจอโฟกัสมากจะจะตั้งใจฟังมากเลยค่ะตอนนั่งสมาธิแล้วก็ทําให้นั่งได้ได้ดีพอสมควรสําหรับ นาตอนนั้นนะคะพระอาจารย์แล้วก็ออกมาก็พิจารณาในสิ่งที่พระอาจารย์พูดก็เลยก็เลยความทุกข์ก็ก็น้อยลงคลายลงแล้วก็แต่เดี๋ยวมันก็เป็นเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ก็เอามาพิจารณาใหม่แบบนี้ค่ะพระอาจารย์ใช้วิธีนี้ค่ะตอนนี้ลองพยายามมีสติก่อนควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดมากค่ะก็พยายามมีสติค่ะพระอาจารย์ก็เหมือนพอเริ่มคิดก็จะจะรู้ทันแต่ว่า มันมั น, ม, นมันห้ามความคิดไม่ได้อ่ะค่ะพระอาจารย์ม็ใช้พุโทโธใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปค่ะก็ก็มีใช้สลับไปด้วยนะคะพระอาจารย์แต่ว่าอย่างแต่ก็ถ้ามีโอกาสก็จะจ ะ, จะใช้วิธีก็จะไปนั่งสมาธิเลยเพื่อให้แบบมันต้องการความสงบอะไรแบบนี้ค่ะใช่เลย ค่ะก็ตอนนี้ใช้วิธีแบบนี้ยค่ะแล้วก็พอดีวันก่อนวันนี้สองสวันนี้ฟังทำ ม, มาแล้วก็ฟังพระอาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องกรรมค่ะก็ก็เลยมีคําถามอันหนึ่งอะค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของกรรมกรรมว่าคือทุกคนสิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยไม่ว่าเราจะทํากรรมดีหรือกรรมชั่วค่ะคือและเสว่าถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีอะค่ะจะย้อนกลับมาทุกคนไม่ว่าต่อให้คนคนนั้นจะสําเร็จเป็นโสดาปฏิผลหรือว่าอะไรก็ตามหรือหรือสําเร็จ เป็นอริยมรรคแล้วอะค่ะยังไงกรรมชี้เคยเคยทไปอ่ะค่ะมันก็จะก็หนีไม่พ้นกรรมนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้ายังถ้ายังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าตายไปแล้วถ้าไปนิพพานแล้วก็ไม่กลับมาเกิดกรรมนั้นก็ตามไปไม่ได้นะตามได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่างพระโมคคัลลานะก็ต้องถูกเขามาตามค่าตายพระพุทธเจ้าก็ถูกเทวท่ัตมาคอยบวงพชนถึงสามครั้งด้วยกัน แต่พอที่ผ่านแล้วพอร่างกายตายแล้วมันไม่มีไม่มีตัวที่จะไปทำ้ายไปไ ป, ไปแสดงกรรมนะต้องเวลาเรามาเกิดนะมาเรามาเกิดถ้าเรายังเป็นโสดาบันอยู่ชาติหน้ายังกลับมาเกิดอย่างนี้ก็ยังจะเจอเจอกรรมเก่าที่เราทำไว้อยู่ต่อไปถ้าถึงเวลาที่มันจะมาคือคือเราจะ เลี่ยงเดี๋ยวเรียกว่าหนีกรรมนั้นได้ก็คือจะต้องไม่กลับมาเกิดแล้วแบบนี้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ต้องไม่ต้องไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษถ้าเป็นพระอนาคามีนี่ก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ละเราไปอยู่ในพรหมโลกนี่ไม่พรหมโลกนี่ก็ไม่มีใครเข้าไปไปจองเวรจองกรรมได้ลนะอ๋อค่ะห น, หนูตอนแรกหนูเข้าใจว่านึกก็นึกถึงพระโมณ์คารานาเหมือนกันนะคะว่า<ม>ท่านสําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าท่านก็ยังหนีกรรมกรรมไม่พ้นนะคะหนูก็เลย ไม่ถ้า<ม>ยัมีร่างกายเนี่ยถ้ามีร่างกายต่ได้ทำได้ถ้ามีร่างกายตัวร่างกายนก็นจะเป็นผู้มารับผลของกรรมค่ะคือถ้าเราเราไม่อยากแบบมารับผลของกรรมนั้นแล้วเราก็ต้องแบบอย่างไรก็ต้อง <c oughs> ไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์เองแล้วใช่<ต>ไหมแต่สำหรับบ้านฐานถึงแั้ท่านจะรับกรรมมันก็เพียงแต่รับครึ่งเดียวเพียรับที่ร่างกายอส่วนใจท่านไม่ทุกข์ประมาณนี้ หนูเข้าใจนะแต่ไม่เดือดร้อนแต่อย่างต่อให้ไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์นะคะพระอาจารย์ถ้าเป็นแค่โสดาปฏตบิ์หนะคะแล้วถ้าเกิดเขาเขารับกรรมอย่างเนี้ยค่ะจิใจเขาก็ยังคงเดือดร้อนอยู่ด้วยไหมคะก็คงไม่ไหมถ้าเป็นพระโสดาบัณท่านก็ท่าน ก, ก็ไม่กลัวตายท่านก็ยอมรับความตายนดะ้ค่ะคือเหมือนเราจะกั บ, บเผชิญหน้ากับกรรมนั้นด้วยแบบใจที่ไม่ได้ทุกข์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ่ะใช่ใไม่ไม่ทุกข์ประมาณ อ๋อหนูหนูเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ก็คิดว่างั้นประเด็นนี้ก็น่าจะขอโทษที่พอดีไม่ค่อยสบายก็ประเด็นนี้ก็น่าจะจะเคลียร์ค่ะเข้าใจแล้วว่าอย่างไงค่ะการ<พ>าทั้งการที่จะมกระทบกับร่างกายนี้ถ้ายังมีร่างกายอยู่มันก็หีไม่พ้นแต่ถ้าใจไม่ทุกข์ถ้าใจเป็นหลุดพ้นแล้วมันก็ตั้งแต่เป็นพะระสวิยัขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายแล้วค่ะเข้าใจแล้วทําให้หนูยิ่งกลัวกลัว กัวกรรมอคะ่ะกลัวการทําบาปกรมกร ม, รรมะคะ่ะคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้บาปแบบผิดศีลห้านะคะแต่ว่าถ้าสิ่งที่เรากระทามันมีผลทําให้คนอื่นทุกข์ใจหรือว่าอะไรก็ตามแต่ะคะ่ะมันก็ถือว่าเป็นกรรมเหมือนกันถูกไหมคะพระอาจารย์ได้ทําบาปมันเป็นบาปเหมือนกัน อ, อ๋อค่ะค่ะเ ข, ข้าใจนะค่ะพระอาจารย์โอเคพยายามอย่าไปทำบาปอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลกักทรัพย์อย่าไปกระพื่อผิดประเพณีค่ะค่ะไม่ค่ะอย่าไปโกหกหลอกลวงค่ะ คือถ้าเราไม่ได้ทำบาปในห้าข้อเนี้ยค่ะแต่ว่ามันไปน ก, รกรรมมันคือการกระทําอะค่ะพระอาจารย์ถ้าเกิดเป็นการกระทําที่เหมือนแบบมันไม่ดีอะ่ะค่ะยังไงก็ต้องรับผลของกรรมนั้นถูกไหมคะอะถ้ามันไม่ดีมันคําว่าไม่ดีก็คือบาปถ้าถ้ามันเป็นกลางกามันก็ผลผลผลของมันก็จะไม่ไม่ไม่ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเป็นถ้าเป็นกรรมดีเป็นบุญมันก็จะรับผลคือความสุขความเป็นสิ่งที่ดีแต่มัน ถ้าทำบาปมันก็จะรับผลก็คือความทุกข์ทุกใจทุกกายค่ ะ, คะอย่างแบบศี่ข้อสี่ค่ะเราต้องแบบมันต้องละเอียดกว่านั้นใช่ไหมคะคือละเอียดไม่ถึงว่าเอาคือนอกเหนือจากการไม่พูดโกหกแล้วอะค่ะมันก็ควรจะมันครอบหมายถึงครอบคลุมไปถึงการแบบไม่พูดส่อเสียดไม่นินทาคืออะไรทุกอย่างเลยใช่ไหมคะอันนั้นมันเป็นเรื่องของของการรักษาความความสวยงามของของผู้พูดอ๋อ อไม่ได้ไม่ไม่เป็นบาปเพราะเราไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนจากการพูดเหล่านั้นแต่ถ้าเราไปโกหกเขาล้าทำให้เขาเกิดความเสียหายนี่ยังทางใดทางหนึ่งอันนี้เป็นบาปแต่ถ้าพูดคำหยาบยามากก็เขาก็ทาให้เราเห็นว่าเราเป็นคนหยาบคายเขาก็แลวมันก็เป็นการทำให้เราเสียเสียเครดิตในตัวเราไปได้เลง mm hmm. อันนี้เหมาะกับสำหรับพืพูดที่เป็นนักบวช่ย พระอาจารย์สำหรับพระเนี่ต้องพูดไม่ต้องต้องไม่พูดคำหยาบอย่างไม่พูดเพ้อเจ้ออยางไม่พูดเพราะมันจะทําให้คนอื่นเขาเสียความเคารพในตัวนกในตัวพระได้ค่ะแต่ไม่บาปไม่บาปเพราะไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหายเดือดร้อนเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์วันนี้หนูมีคําถามแค่เนี้ยค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะขอบคุณนะคะพระอาจารย์ดีค่ะข้าพเจ้าคุณหมอสุทธัศนี ให้มามามาทำบุญตั้งแต่วันทวันนี้ไปเจ้าค่ะนัะ่นค่ะใส่หน้ากลากจำไม่ได้ไม่แน่ใจเมื่อวานนี้ใช่ไหมใ น, ในวันไปวันที่11เจ้าค่ะอ่าวันที่31เนอะโอเคค่ะแค่ได้ไปอยู่ในบริเวณนั้นก็รู้สึกลมเย็ยนแล้วเจ้าค่ะอืมโอเคมีอะไรไหมอ่าท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่า ครัพระสติปัฏฐานสูตรในข้อที่เป็นหมวดของเรื่องของกายเจ้าค่ะในข้อที่ท่านว่าในเรื่องของอริยาบทกัดสัมปัตชัญญะมันเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ท่านพระอาจารย์เมตตาสั่งสอนเรื่องวิธีการเจริญกายยคตาสติใช่ไหมเจ้าคะใช่ให้ดูเฝ้าอยู่ร่างกายทุกอริยาบทของการเคลื่อนไหวจะว่าจะเดินจะยืนจะนั่ ง, จ ะ, งจะนอนหรือขันธ์เวลายอยู่าาก็ต่ามน้ำอาบน้ํานั่งหน้าแปลงฝันก็ให้เราเฝ้าอยู่ เพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องอน่งผูกจใจกับร่างกายกายกตาสติแล้วเวลานั่งสมาธิก็มามาเปลี่ยนจากร่างกายมาเป็นลมหายใจเข้าออกแทนอานาปานาสติแทนเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์สั่งสอนฟังแล้วเข้าใจง่ายเจ้าค่ะทำตามแล้วต่อไปเราจะสติเราจะดีขึ้นแล้วนั่งสมาธิจิตจะสงบง่ายขึ้นแล้วนั่งได้นานขึ้น เจ้าค่ะรู้สึกว่าหลังจากกลับมามีความกระตือรือร้นแล้วก็ความอยากที่จะศึกษาและปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเจ้าค่ะอ่าดีมากการฟังธรรมก็ทำให้เราเกิดมีความมีกำลังใจมีฉันทะวิริยะมีความยินดีมีความเพียงเจ้าค่ะพยายามฟังบ่อยๆนะออกที่บ้านบ้างก็ได้ถ้ามาที่นี่ไม่ได้ก็ฟังที่บ้านดรืออ่านหนังสือธรรมะก็ได้แล้วแต่เจ้าค่ะ หมดคำถามแล้วเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์อยากราบ้วยจ่ะคุณเสี่ยวมีไม่ทราบชื่ออะไรคุณเสี่ยวมีเอ็มสองหนึ่งนนี่อาคนนั่งอ่ะุูนังใช่ไมเฮ้ยค่อยไปหนได้ยินไหมครับพระอาจารย์ได้ได้ยินแล้วขอกนกสอค่ะก็ได้ฟังเพืนนครัพระอาจารย์ได้อะไรเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ มันนี้มีประเด็นเยอะนะประเด็นเยอะค่ะดีค่ะอาจารย์หนูได้อะไรเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ตรงกับที่ตัวเองใครเมื่อกี้ก็ปาลิงสองตัวไปกราบ พ, พระอาจารย์เด็กก็เป็นอาจารยเด็กยังไม่สนใจมันเลยก็รู้สึกว่าจะสงบมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนเนยพาไปโอมอยู่เทปอยู่ไม่ได้ค่ะอาจารย์อือ่า แต่ก็ไม่ไม่เป็นไรครับก็สนใจอยู่ที่ใจตัวเองมากกว่าครับพระอาจารย์อืมก็เป็นยังไงไก็ใจลราอย่ายไปทุกเดือนน้อยกับเขานั้นค่ะก็ไม่ได้เป็นทูกเดือนร้อนเพราะว่าอยู่กับกับคนในครอบครัวใหญ่ก็ต้องอทักใจครับพระอาจารย์นานๆจิตต่างแต่ละคนก็มีนิสัยใจคอไม่เหมือนกันค่ะใช่ใช่ครับพระอาจารย์พยายามเข้าใจในจุดนี้ก็สบายใจครับพระอาจารย์อืม ออก็ไม่ไม่มีอะไรมากแต่เพียงว่าเอหนูอาจจะขอะพรจากพระอาจารย์คือปีนี้หนูตั้งเป้าใหญ่เพื่อที่จะให้อะไรสําเร็จแล้วหนูก็จะได้ให้มาหันมาในเรื่องของธรรมะมากยิ่งขึ้นนะคะพระอาจารย์เพราะว่ า, าหนูเป็นคนถ้าตั้งเป้าคือตั้งเป้าอะค่ะพระอาจารย์ตั้งใจเพราะว่าถ้าไม่ตั้งใจก็คือว่าเรามีเวลาเหลือน้อยเพราะว่าทุก ลมหายใจของเรามันสําคัญนะคะพระอาจารย์อืสิ่งหนึ่งคือต้องต้องทําให้กับครอบครัวนะคะพระอาจารยน์นี่หนู ห, หนูเข้าใจแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําหนูก็ไม่อยากเป็นหนูเลยครับพระอาจารย์มีทุก <c oughs> คนว่าว่าคาดหวังหนูก็รู้สึกเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรครับพระอาจารย์หนูก็เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราต่อไปค่ะเหมือนที่พระอรบอกหนูว่าให้ทําหน้าที่ให้มีเมตตาแล้วก็ เบียดขารู้แล้ววางเฉยหนูจำครับอาจารย์เออค่ะแล้วก็ทําให้ดีที่สุดได้เท่าไรก็ท่านนั้นอย่าไปกคำนวณมันจะต้องได้ท่านนั้นท่านี้เพราะข อ, องวันนี้เราบางคำไม่ได้ใช่ครับอ า, าจารย์ค่ะหนูก็ถือว่าจะทําให้ดีที่สุดนะคะอาจาราย์จะได้ได้มากได้น้อยก็เป็นเรื่องของของเหตุของผลไปค่ะอ า, าจารย์ก็หนูถือว่าหนูต้องรักษากายใจให้ดี มันก็ทเราไปต่อได้ครับพระอาจารย์อืมอยู่ได้้ใจใจเราไม่ไม่ดีก็ทำอะไรไม่ได้อ่าใช่ค่ะพระอาจารย์แต่ก็เ<ช>อ่อไม่ได้มีอะไรมากหนูก็ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนที่อยู่ในนี้ที่ให้ความรู้หนูทุกทุกสิ่งทุกอย่างครับพระอาจารย์นมช้ำพระอาจารย์ด้วยคะ่ะได้อะไรเยอะมากเลยแล้วก็ทําให้จิตใจเรารู้ว่าเราจิตใจเราสบายโปร่งมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะเจอ เหตุการณ์ไหนหรืออะไรยังไงพ่อหนูเข้าใจว่าอ่ะสุขมาเดี๋ยวทุกอ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาแล้วก็ ก, กลับมาดูที่ใจของเราอเอง เ, อเราคิดอะไร อ, ะอันนี้มันหมายถึงว่าเราก็คือมีสติคือมีสติถี่ขึ้นใช่ไหมครับพ่อจารย์อน่าเห็นความคิดของเรามากขึ้นค่ะหรือว่าคอยดูดูตัวตัวอย่างตัวที่ทําให้เราทุกข์ค่ะพ่อจารย์ คือเราเราคือเห็นปุ๊บเราก็คือจะรู้ปั๊บแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อกี้เนี่ยก็เกิดเหตุการณ์กับผู้ชายคนเล็ก น, นะคะเรื่องกบสนเตอร์แล้วเขาก็เหมือนกับว่าโดนหลอกใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ แ, แล้วเพราะว่าเขาอะประสบคือในเรื่องของครอบครัวะคะ่ะเหมือนเขารู้ว่า คนสุดท้ายที่เขาจะคิดถึงเวลาเขาทุกข์คือแม่แต่ก่อนเขาไม่เชื่อแต่ทีนี้เขาก็เลยแบบนิ่งมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็รู้ว่าเออคนที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดเนี่ยแม่ของเขาเขาก็บอกว่าแม่ผมเข้าใจล ะ, ะหนูก็ไม่พูดอะไรมากเขาก็ให้ใ ห, ให้ให้เหตุการณ์มันสอนเขาอะคะ่ะอาจารย์ว่าให้ด่าหรือล่ว่าอะไรนะคะหนูก็บอกว่าให้หนูขี้เดา ว่าพ่อกับแม่เนี่ยสาคัญไหมอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพราะเราก็ปฏิบัติให้เขาเห็นอยู่ตลอดเวลานะคะค่มพระอาจารย์อันนี้เนี่ยวงบอกถึงถึงสิ่งหนึ่งที่เราเมตตาเขาใช่ไหมคะพระอาจารย์หรือว่าเป็นนัาของเราด้วยที่เราจะต้องทำหน้าที่ของแม่นะคะพระอาจารย์ก็นั่นแหละก็เราหวังดีเขาเราอยากจะให้เขารู้ผิดถึงดีเชื่อ ก็เป็นความเมตตาอย่างหนึ่งค่ะอาจารย์แสงสวา่างของเขาเหมือนพระพุทธเจ้าก็มีความเมตตาตสั่นโลกที่สั่งสอนธรรมะให้กับพวกเราค่ะพระอาจารย์แล้วเหมือนเหมือนปีปีนี้ปีนี้เหมือปีเมื่อกี้เนี่ยนะคะพระอาจารย์เหมือนบางคนเขามาปรึกษาแล้วหนูก็บอกเขาอะค่ะเขาก็ไม่เชื่อแล้วกลายเป็นว่า เขาก็โดนโดนโดนเยอะเลยครับพระอาจารย์แล้วก็ร้องหอบร้องไห้บอกว่ามาขอโทดเออเหมือนมาลบดูดูหมิ่นเราในคําที่เราเคยเตือนเคยบอกอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. หลายคนหนูก็บอกว่าหนูก็ไม่ได้คิดอะไรเพียงแค่ว่าหนูอ่าคือจริงใจกับเขาแล้วก็คือเตือนไปแค่นั้นนะคะ mm hmm. แต่หนูเข้าใจนะคะทุกคนนะคะมีความรักโลกกดลงด้วยกันทั้งนั้น mm hmm. เพียงแค่ว่ามากน้อยก็คือขึ้นอยู่กับตัวตนของคนคนนั้นแม้กระทั่งตัวเราเองก็ ก็มีอะค่ะพระอาจารย์อันนี้หนูก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรที่เขาเข้ามาว่าเราหรือว่ามามาเหมือนกับว่ามามาด่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เฉ <S an> ยๆอะค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าตัวเองอือเข้ามาแล้วก็ไปไปฟังธรรมะของพระอาจารย์บ่อยๆเพราะหนูตั้งใจเหมือนทั้งปีหนูไปทุกอาทิตย์หนูไม่ได้เคยขาดมันก็ได้จริงๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็กระกาบ พระอาจารย์มากๆเลยค่ะที่เมตตาหนูนะคะพระอาจารย์ย่า yeah. ยินดีเสมอก็ว่าปฏิบัติต่อไปนะใช่ปฏิบัติต่อไปคะ่ะพระอาจารย์หนูจะปฏิบัติมากค่ะพระอาจารย์สาอุจ่อไปอที่สวิตเซอร์แลนด์ <ไป S 2> Land, คุณทวีสหายเป็นนานนะสบายดีเหรอกลับสวัสดีปีใหม่นะ้อาสการ์พระอาจารย์ค่ะสวายดีเจ้าค่ะอะ ได้ลังไทยหรือเปล่าไม่ไม่ได้กลับมายังไม่ได้กลับค่ะปีหน้าค่ะพระอาจารย์แตคือปีหแรกก็เป็นไทยแล้วพระอาจารย์ร้านก็เซ็งเรียบร้อยพระอาจารย์คือเริ่มต้นสละออกไปแล้วค่ะพระอาจารย์หนึ่งหนึ่งเปราะก็ดีก็ไม่มีก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมค่ะพระอาจารย์ก็เข้าใช้เท่าที่มีแล้วก็ดูแลไปเอาก็ไปเรื่อยๆไม่มีก็ เหมือนที่พระอาจารย์พูดไม่มีก็ไม่น่านจะเป็นอะไรอืมอยามากก็แค่ตายไงก็ต้องตายอยู่ดีใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ไม่ไม่ต <ใจ S 1> ายหรอกคนปฏิบัติธรรมนี่เป็นคนที่ <c oughs> มีความอดทนไม่หิวโหวยมากกินวันละเมื่อก็อยู่ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะก็น้อมนําคําสั่งสอนของพระอาจารย์ค่ะเอาเอามาปฏิบัติ <c oughs> แล้วก็ค่อยค่อยค่อยค่อย แต่พระอาจารย์ก็เทศไปก่อนนะว่าอย่าค่อยมากอย่าบรกจุลีอยู่น้อยลงทุกวันใช่ค่ะพระอาจารย์ก็พยายามเร่งสปีดอยู่แล้วอยู่ทําให้เต็มที่ส่วนผลจะท้าายก็ทางนั้นไม่ต้องไปข้างวลกับมันค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เลยกล่าวว่าพี่หน้าไปก็จองจองบนเขาไปแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ดีค่ะเคย เคยไปอยู่ในอย่างแล้วเป็นไ ง, ย, งไนยังไม่เคยเลยพ่ะอาจารย์ก็ยังไม่ได้เคยไปอยู่กับป่าแบบนั้นเลยค่ะก็<ม>เดี๋ยวต้องเตรียมตัว <laughs> เตรียมตัวที่บ้านก่อนเอาแบบที่นี่ก่อนเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าจะคือเคยไปเข้าปฏิบัติธรรมแต่ไม่แบบแบบป่าแบบนั้นแบบกุฏิคนเดียวอย่างเงี้ยเคยค่ะแต่ แต่ในป่าบนเขาน่าจะอีกแบบหนึ่งที่ฟังคนอื่นมาก็ไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจ่าเดี๋ยวแปเตรียมตัวค่พ้ากันโ okay. อเคงนนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็รายงานพระอาจารย์ก็จะพยายามอย่างที่พระอาจารย์ได้สัง่งสอนาาค่ะมานสาธุโมทนาค่ะสาธุค่ะโอเค okay. เวลาเราเหลือน้อยทะนั้นจะขอแบ่งเวลาคนละสามนาทีนะ เพราะว่ามันคนหน่อยเกือบสิบคนนะนะคุณหน่อยชัยเนตรเงินกลับนักมรดการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะมาฟังเฉยๆนะเจ้าค่ะโอเคทุกเงินไปเลยนะเงินไปที่บริษัทอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่มครักลับนัากมรดการครับตัวอันที่ปีใหม่หลพออยู่ที่ญี่ปุ่นครับก็ ก็ก็โอเสบายดีครับวันก่อนผ่นดินไหวก็ตรงนี้รู้สึกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้กทำใจตั้งแต่อยู่ไทยแล้วเขามาญี่ปุ่นมันต้องเจออะไรแบบนี้ก็อยู่ใกล้ไหมอยู่ใกล้หมไกลครับไกลไกลยังยังสัมผัสได้นะยังมีนะแังสัมผัสก็แบบสั่นอยู่เหมือนอยู่ในเรือประมาณนั้นครับแต่แค่นั้นนะครับ แล้วก็อันนี้ที่แล้วผมเผลอหลับคาซูมกับย้อนไปดูวิดีโออายมากเลยครับโอเคอันนี้โอเคครับก็วันดีเป็ใหม่เขาหลงพ่อแล้วเมื่อเช้าก็ผมก็เข้าใจหลักธรรมะจะบอกเข้าใจทีแล้วค่อยๆบ่มไปเข้าใจมากขึ้นในการใช้ชิตเอามาใช้ชีพประจาวันปีใหม่ก็ไปสารเจ้าตอนเที่ยงคืนนะครับอก็ว่าไปตอนสรลเจ้าตอนเที่ยงคืนก็ที่ญี่ปุ่นเขาก็ ไปไหว้เขาแบบไปหยอดเหรียญขอพรกันก็จะแบบคนวันนี้เ้ายังไปอยู่เขาไปประมาณปิดปีดปดใหม่อะไรประมาณเนี้ยครับ<ม>แต่เขาไม่มีไักเขาเหมือนประเภทแบบพอพอขอพรขอขอนู่นขอนี่แบบสานเจ้าอะไรสานเจ้าก็จะมีมอะไรของเขาประมาณเนี้ยครับก็อันอันหนึ่งที่เกี่ยวกับธรรมะเ อ, อ่อธรรมะนี่ชอบพูดถึงเรื่องความตายแต่คนที่ไม่เคยศึกษาธรรมะมาเลยมาคิดว่าคนที่พูดแต่เรื่องถึงความตายอะไรนี้จิตใจจะเศร้าสร้อยซึงเศร้ากันแต่ความเป็นจริงมัน ไม่ใช่เลยเพราะอะไรครับหลวงพ่ออยากให้ปฏิบายตรงนี้ครับมันอยู่ที่ใจของแต่ละคนว่ามี ม, มีมีอุบเบกขามากน้อยเท่าไหร่คนที่มีอุบเบกขามากก็จะไม่เศร้าจะเฉยเฉยคนที่มีอุบเบกขาน้อยก็จะถูกกิเลสมันทําให้เศร้าเพราะกิเลมไม่ชอบความตายนะครับก็ก็ก็จะ เพียงพยายามต่อไปครับชีวิตก็เห็นความไม่เที่ยงเยอะอย่างเช่นอยู่ที่นี่มันก็เห็นใบไม้เปลี่ยนสีชัดเจนอยู่เมืองไทยมันใบไม้เขียวทั้งปีอย่างนี้ครับอยู่ที่นี่มันก็เห็นตั้งแต่เขียวจนร่วงแล้วก็หนาวมันก็เห็นอันนี้จังชัดเจนใช่มาเบียดเทียนกับชีวิตแล้วก็เหมือนใบไม้ดีๆนี่ครับพราะอยู่เมืองไทยมันเขียวทั้งปีมันไม่ค่อยเห็นนครับแต่อยู่นี่มันเห็นชัดเลยครับแล้วก็เห็นชีวิตตัวเองก็เดี๋ยวอะไรอะเสียอะไรก็เสียไปแต่ว่าแบบ ความดีก็จะพยายามเพิ่มพูนครับผมวงพ่อโอเคครับก็ขับสวัสดีปีใหม่ครับเออหลวงพ่อคนเองรู้เปล่าครับตอนเช้าพันหกร้อยคนนะครับอะไรน้ำเองจริงไม่มีใครน้ำให้เราโอ้โหพันหกร้อยก็ดีใจที่ได้ทําบุญหรือว่าไอ้ได้ฟังธรรมจริงด้วยอันนึงที่เราไปหาหลวงพ่อแบบบางคนทำทานเสร็จปั๊บพอหลวงพ่อจะเทศปั๊บกลับกันหมดเลยเผมก็งงฟันเทศมันของดีไม่ใช่เหรอไฮไลท์ทำไปเขากลับกัน ก็ยังมันครับบางคนกาจจะไม่ไม่มีเวลาไม่ชัร์เไปครับเขาตั้งใจตั้งใจจะมาแต่ทาบุญอย่างเดียวเขาไม่จะมาตั้งใจฟังธรรมโอเคครับอคดีรบเวลามีน้อยะไรที่คุณแมนตอบคุณแมนเชนเนคุณแมนพูดได้เลย ้ยินแต่เบาหน่อยเสียงต้องพูดดังหน่อยพ้ดลองพูดพดูใช่ไม่มีเสียงเลยครับต้องพูดหนได้ครับอพอได้ยินนะออพอดีนั่งก็พอดีนั่งเ ก, กิากรับนั่งแบบเป็นตอไม้เลยครับนั่งสมาธิครับ ไม่ขยับขยี้นตัวนั่งได้สองชั่วโมงเหรอครับนั่งได้นั่งได้เกินสองชั่วโมงนะครั บ, ม, รบมันไม่ไดอยู่ที่ไม่ไมีที่ร่างกายอย่างเดียวสาคัญอยู่ที่ใจว่ามันนิ่งก็บ่าครับก็พยายามอยู่กับพุดโธพุดโูดดดแล้วก็เวลาความเจ็บปวดก็ไม่ขยับก็ดูดูไปด้วยครับไม่ไม่สนใจครับคุณนีแล้วผ่านผ่านาอาการเจ็บปวดด้วยไม่เดือดร้อน ก็เหมือนเมื่อแยกแยกแยกายกับแจวออกจากกันไม่ไม่ไมสนใจครับเออยู่ยยยยอยู่อู่แบบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโอะไรอย่าอ่าต่ไปเวลาเจอการเจ็บมาทำแบบนี้ไปใจอยูอย่ได้ไม่ต้องไปทุกข์กับความเจ็บครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับอาจารย์ตัวแอวกีกรรมครับตัวกรรมบุตรศีครับพอดี ต, ดติดติดปัญหาเรื่องอพูดหยากครับอาจารย์ ใช้สรรพนามไอ้คูมึงด้วยกันอย่างเนี่ยครับออันนี้มันก็ทําให้เราเป็นคนเหมือนว่าเป็นคนที่เป็นคนหยาบทั้นงนีอเป็นคนหยาบใครแสดงว่ายังเป็นคนที่อไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควระถ้าอยากจะเป็นพระเป็นคนที่เป็นเหมือนพระนี่ก็ต้องพูดจาสุภาพเรียบร้อยมันก็พยายามพยายาม พยายามฝึกไปพยายามลดพูดคำหยาบให้น้อยลงพูดเพ้อเจ้อให้น้อยลงพูดสาเสียให้น้อยลงสาเสียก็พูดยุโยงให้คนเื่นเขาทะเลาะกันเกลดอย่างนี้เลียว่พูดสาเสียโอเค mm hmm. okay, นะมาทันทีก่อนนะโอเคไปที่คุณปางว่อาอะไรตอนหน้าปาง มาส ก, การคะไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเคเป็นไปได้คุณหมอรัตวุจันทร์หมออยังางมาชาติดันดีได้ได้ได้กําลังขึ้นไหม อ, อ๋อดีครับไ ด, ได้ได้ต่างครั บ, รบครับอาจารย์ก็ในได้ความสงบดีครับอก็ไปช่วยพระาอะาจารย์บิทาบาทวันวันวันอวันที่ใช่วันที่คนเยอะมากเลยครับวันที่หนึ่งครับมา แบบยกเหนื่อยเลยไหมสองชั่วโมงกว้างสองชั่วโมงกว่าครับขนาดเป็นเป็นโยมไปช่วยเฉยเป็นพระที่ต่บาดนี้น่าจะเหนื่อยกว่านี้อีกเยอะเลยครับแต่ก็ดีครับเห็นคนมาช่วยทําบุญกันเยอะครับจะจะเรียนถามพระอาจารย์เรื่องที่พระอาจารย์สอนอาทิตย์ที่แล้วครับเรื่องของอยู่กับความว่างความสงบอะครับ แล้วก็เราก็มีสติอยู่กับไอ้พุโทโธหรือไม่ก็อยู่กับอารมณ์หายใจหรือยู่กับกาย mm hmm. หรือว่าอยู่กับอาการ32ครับ mm hmm. อันนี้เวลาผมนั่งสมาธิเนี่ยผมก็เวลาผมสงบเวลารวมมันก็จะไปอยู่มันกับไอ้ตัวฐานตัวรู้มันจะอยู่ที่กลางอกนีครับตอนนี้ผมก็เลยเหมือนกับเอาอ่าอาก็พยายามแนบสติเข้ากับใจครับ มืนกับเรานั่งอยู่ตรงกลางให้ตรงนั้นนะครับในที่ฐานแล้วก็รู้ว่าเออเวลามีเวทนามาเมื่อก่อนเราก็จะวิ่งออกไปตามมันไปอยู่ที่เท้าที่ขาใช่ไหมฮะหรือว่ามีอารมณ์มีความสังขารเข้ามาก็ตามไปแต่แวันนี้นเราก็จะมาอยู่ในตัวความรู้ความว่างตรงนี้ครับมันก็ทําให้สงบขึ้นนะครับไม่ทราบว่าปฏิบัติอย่างนี้มันถูกถกไหมครับถูกแล้วแหละให้เรายาวออกจากฐานเรา ครับหยุดครับเหมือนกับอะไรถ้ามันจะออกก็หึงใช้พุทโธใช้สติหนึ่งกลับมาครับอะก็คือก็คือหยุดแนบอยู่กับตัวตัวนี้ให้ให้รเฉยเฉอยู่กับตามนู้เฉยเฉยครับครับอะแล้วก็เหมือนกับคำว่างก็เหมือนกับเป็นฟ้าแล้วก็มันก็มีก็มีไอ้เมฆเป็นอารมณ์มามีอะไรเข้ามาแล้วก็องไปบอกไปยุ่กับมันครับอ่าให้รู้ว่ามันก็เป็นเป็นเมฆบอกเมื่อมากมันเข้าไป คับอ่ะครับอะให้เวทนาเข้ามาแล้วมันก็ไปแล้วก็อยู่สถานของเราตรงนี้ไปครับอันนี้อันนี้อีกอันหนึ่งผมบัดีมันก็ผมก็นั่งแต่ว่าผมก็ไม่ได้รวมได้ตลอดนะครับมันก็เหมือนจะมันจ่อจอแต่ว่ามันไม่ไม่ลงฮะแต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ต่อสติเรายังมีกาลังไม่พอครับมันยังมีขาดขาดหายหาอยู่ขาดขาดเกินเกินอยู่ฝึกสติต่อไปครับครับก็อยู่กับสี่สี่อย่างมันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อน ครับอ่ะแต่ว่าก็ถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าเป็นไปครับเป้าหมายก็คือลดความคิดลงให้มันน้อยลงไปให้ไม่เสพรู้เฉยๆให้มากขึ้นไปครับอ่ะเพราะถ้าอยู่อย่างนี้ผมรู้สึกว่มันก็มันก็มีจุดที่เกาะแล้วมันก็เห็นในไอที่มันเข้ามาเหมือนเรานั่งตากอ้องแล้วมันก็ไอ้นี่ก็เข้ามาแล้วเราก็ไม่ยุ่งกับมันไม่พนักปล่อยไปไออารมณ์เข้ามาสังสารเข้ามาเราก็ไปให้เราอย่าไปมีอารมณ์กับมันอย่าไปรักชานกลัวหลงให้รู้เฉยๆ รู้รับฮะรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางให้จริงความจิตกับตัวว่างตัวเดียวกันเนี่ยอย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้ครับครับนะได้ครับเดี๋ยวคงพยายามฝึกสติครับไม่ใช่อจะได้เข้าสึกนี่มันจะทําให้เราเข้าสู่ความว่างได้ครับเตอนนี้เหมือนกับเห็นแต่มันไม่เหมือนมันยืนอยู่ดูข้างนอกอ่ะแต่มันไม่ไม่เป็นไม่ได้อยู่กับไม่เป็เข้าไปในห้องยืนอยู่นอกห้องกําลังกําลังเข้าไปแล้วกำลัง กำลังเดินทางไปถึงบทําต่อไปปรกษติให้มากขึ้นครับผมใช่ครับเรามาอยู่นานขึ้นดูเลยนานขึ้นใช่เข้าไต่ปรึกษาเติมันจะได้มีเวลามากขึ้นครับครับโอเคสาธุครับขอบคุณครับคุณจีบจากในเวลาในวันนี้สลินทอนไม่มาใช่ไหมกับสถานการณ์ค่ะอาจารย์สลินทอนไม่มาหรือคะ เอยังไม่เห็นพงยังไม่มาอ๋อยอมยมไม่ได้เข้าไปดูเลยค่ะว่าใครเข้าบ้าง<อ>าถ้าอย่างไรถ้าเขาไม่มาโยมก็ขอากราบสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์แทนเพื่อนแล้วก็แทนตัวโยมด้วยนะคะขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะค่ะก็นนปีใหม่ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ก็เมื่อคืนก็สดมนนั่งสมาธิมาได้สองวันเริ่มต้นปีใหม่ด้วยด้วยดีค่ะพระอาจารย์อ อยายามให้มันดีไปทุกวันฝึกสติไว้ควบคุมใจไว้ใจเชิแล้วทุกอย่างจะดีเองครับทุกครัอาจารย์ปีนี้ยอมขอให้มีสิ่งที่ดีมากกว่าปีเดิมไม่ต้องมีสก้อนใจมากนะักนิ่งมากกว่าเดิมค่ะอาจารย์อ่อยู่ที่สตินะครับเราตสติเราเฉยแล้วต่อให้มันไม่ดีขนาดไหนมันก็เหมือนกันไม่มันก็เหมือนกับไม่ไม่ไม่ไม่ ไม่ใช่ไม่ดีมันก็มันก็เลิกของมันไปเราไม่ไปยุ่งกับมันค่ะค่ะอาจารย์ยอมยมขอคำถามเดียวได้ไหมคะอาจารย์ที่บอกว่ากรรมคือเผ่าพันธุที่ฟังน้องๆต้องท่อมาเช้าอะค่ะเอ่อไม่ใช่มาช้าเมื่อก่อนชั่วโมงก่อนนั้นทีเด็กๆท่องว่ากรรมกรรมคือเผ่าพันธุ์เราต้องรับเพราะเราคือประมาณว่าเราเป็นลูกหลานวงศตระกูลเดียวกันเราก็ต้องรับกรรมนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ เรา่าเผาใครไหมถึงสันดานว่าเราเป็นชันดานสันดานดีกับสันดานชั่วอ๋อหมายถึงเป็นของเราสืบเผ่าของเราเองที่ที่ถ่ายทอดจากตัวเราในชาตินี้ไปตัวเราในชาติก่อนอ๋อไม่ใช่ว่าพ่อแม่เราไม่มาจาก่อเอ๋อไม่ใช่ว่าปู่ย่าตายายเราไปทําอะไรไว้ไปนอกใจมีชู้ผิดศีลแล้วเราเป็นลูกหลานต้องรับด้วยกรรมใครกรรมมันกรรมใครกรรมมันไม่เกี่ยวกันอ๋อค่ะ อย่างนี้ถ้าเวลาสมมติเกิดมีโยมเคยดีว่าถ้ามีคนแช่งว่าโอ้ยก้อยองตะโกนนี่มีลูกหลอะไรก็มไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวมันมันลมปากคนไม่เป็นทำอะไรได้เจ้าค่ะเพราะว่ายมก็สะบัสนตรงเนี้ยค่ะที่มีกรรมเป็นเผ่าพานยมก็เลยเอ๊ะกรร ม, มเป็น เท่าพันก็เค่ะกรรมดีก็ทําให้เราเป็นเท่าพันที่ดีกรรมชั่วก็ทําให้เราเป็นเท่าพันเท่าพันที่ชั่วทําไมค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมารับกรรมในคำในของคนอื่นเราของคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วรับกรรมของเราเองค่ะค่ะพระอาจค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ค่ะก็วันนี้มีเท่านพระอาจารย์จะ จะรับงานรรคาสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัตินะเจ้าคะ่ะค่ะสสขอบคุณค่ะต่อไปที่คุลภิสิทธิออส์สกลนครเชิญการวัสมกานพระอาจารย์ครับไม่มีคําถามครับพระอาจารย์โอเคสบายดีนะสบายดีครับอาจารย์ครับโอเคงี้ยไปต่อเนี่ยนะคุณสนันนแบงครับเชิญสันนิ กาะสวัสดีปีใหม่ค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามมาร่วมฟังคําค่ะอ่าสาธุงั้นไปที่คุณจอยคุณนี้ใส่บาตรหรื่าจอยใส่ค่ะไม่ขาดเลยนะไม่ขาดป่ะอ่าดีต้องเอาให้ให้ที่สุดอ๋อใส่แล้วค่ะเนี่ยการใส่บาตรทำบุญเนี่ยเป็นการเตะตัวไปสวรรค์กันค่ะค่ะหรืออยากไปนิพพานเลยค่ะโอ้ยนั่งบบวชเป็นต้องใบบวชชีก่อนะ ค่ะแต่รอให้ทางเลกเรียบร้อยก่อนค่ะโอเคค่ะค่ะสุภาไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรค่ะอ่าใบที่คนคนกริคนจตชัยคนกิมีอะไรไหมไม่มีเลยใส่หน้าไม่มีครับกำลรงสัการ์กพามาสักกายกันนะครับวันวีใหม่ก็คือได้ทำบุญทุกวันเลยครับ ทุกวันก็ยังทําครับอาจารย์ทำได้มากปีนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนได้มากขึ้นนี่ทาได้ยิ่ดีนะครับทาบุญทําทานเข้าไปสวรรค์นั่งสมาธิเข้าไปพรหมโลกลองทําได้ปัญญาเข้าไปไปนิพพานนะครับโอเคคราบครับพระนรกรรมครับพระท้าครับอย่างนไปที่คนลาต่อคนลาเมนําทานเท่าไหร่ หลับในมร ส, ส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะมีทั้งหมดหกคาถามเจ้าค่ะคําถามแรกจากคุณสมหมายขอถามครับตอนนี้ผมป่วยเป็นโรคกระเพาะไม่ยอมหายต้องทําอย่างไรบ้างครับกลับสาธุกับพ่อแม่ครูอาจารย์ครับถ้าเป็นโรคกระเพาะต้องไปหาหมออมส่วนใจเราก็ทำใจว่าหายก็หายไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันหายถ้ามันไม่หาย แต่รักษาไปตามคำสั่งของหมอหมอให้ทำอะไรก็ทำไปถ้ามันจะหายมันก็หายถ้ามันไม่หายก็ต้องทำใจอยู่กับมันไปมีสามคำถามจากคุณเก่งเชื่อค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมขอความเมตตามีสามคำถามครับคำถามที่หนึ่งถ้าเราฝึกนั่งสมาธิแล้วแต่ใจยังไม่สงบพอถึงวาลาสุดท้ายของชีวิต ควรทำอย่างไรครับก็ทำอย่างที่เราทําอยู่ตอนนี้ทําสมาธิไปเรื่อยๆคำถามที่สองคำว่าจิตคือพุทธะเป็นคําที่ถูกต้องไหมครับหมายความว่าอย่างไรครับเขาว่าพุทธะก็ก็คือผู้รู้จิตก็เป็นผู้รู้เป็นธรรมชาติที่รู้มีความรู้สึกนึกคิดก็อันเดียวกันะคำถามที่สาม ถ้าบุคคลคนหนึ่งไปมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับสามีหรือภรรยาของผู้อื่นแต่สามีหรือภรรยาของบุคคล น, นั้นไม่ได้เป็นทุกข์เพราะว่าไม่ทราบเรื่องถือว่าบุคคลคนนั้นทําบาปหรือยังครับทำทําไปแล้วถ้ามีพฤติกรรมในการกระทําแล้วก็ถือว่าบาปเคนอื่นจะรู้ไม่รู้แต่คนกระทำจะรู้้คำถามต่อไปจากคุณอู๋กับเรียนพระอาจารย์ค่ะ ช่วยขยายความคำว่าจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรเจ้าคะสาธุคะ่ะคือคำว่าจิตนี่หมายถึงจิตที่ยังแปรปรวนอยู่ด้วยอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆบางทีวันจิตบางวันก็สงบบางวันก็ฟุ้งซ่านบางวันก็เครียดบางวันก็วิตกกังวล น, น, น, นี่นี่คือจิตที่ยังเป็นอนิจจังอยู่ อเอาหมายก็คืออารมณ์ที่มีอยู่ในจิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆแต่ตัวจิตเองนี้มันเที่ยง ม, มันของที่ไม่มีวันแก่มันเจ็บมันตายแต่อารมณ์ที่อยู่ในจิตเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆหมดแล้คําถามสุดท้ายเจ้าคะ่ะจากคุณสมบูรณ์ควรวางใจอย่างไรให้จิตผ่องใสตลอดเจ้าคะ่ะก็ทำด้วยสติบรกิกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ อย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆพอไม่คิดแล้วใจก็ว่างก็เย็นอยอดสงบจะผ่องใสขึ้นมาฝึกสติให้มากๆหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยิ น, นได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ ง, งขึ้นไป เออ